อยู่มาจากที่ไหนเคยมาป่ะมาข้งแรกครับมันรู้จักที่นี่ได้ยังไงเพื่อนน ะ, ะเคยเข้าไปในเฟซบุ๊กหรือป่ะเคยครับข้างหนึ่งทนนี้มีถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กอยู่ตอนนี้ก็ถ่ายทอดสดอยู่ ติดตามได้อยู่ที่บ้านก็ติดตามได้ไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้แต่ก็ว่าที่นี่บรรยากาศมันดีกว่ามันเงียบถ้าอยู่ที่บ้านมันก็ยังมีเสียงนูน่นเสียงนี้มีบรรยากาศไม่เหมือนกันทําให้การฟังไม่มีรสชาติรสชาติไม่เหมือนกัน การฟังธรรมนี้ถ้าที่ยิ่งสงบเท่าไหร่ยิ่งได้ได้ประโยชน์ได้ลดได้ชาติเพราะไม่มีอะไรมาลบกวนใจไม่มีอะไรมาลบกวนสมาธิฟังแล้วก็เข้าใจเข้าใจแล้วก็ได้ปัญญาได้ความรู้ที่สามารถนำมาไปดับความทุกข์ภายในใจได้การฟังธรรมนี้ เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกับการไปเรียนหนังสือเราจะเป็ น, ปนหมอเป็นอะไรเราก็ต้องไปเรียนวิชาชีพของหมอถ้าเราไม่เปนเนเราก็ไม่สามารถที่จะมารักษาคนไข้ได้ก า, การฟังธรรมก็เป็นการศึกษาวิธีรักษาโรคใจใจเราก็เป็นเหมือนร่างกายมีสุขมีทุกข์ เหมือนกับร่างกายแต่ใจของเรานี้สุขทุกข์มันแรงมันร้ายแรงกว่าสุขทุกข์ของทางร่างกาย <c oughs> แล้วก็ร่างกายมันก็เป็นของชั่วคราวดูแลรักษามัให้ดีอย่างไรในที่สุดมันก็ตายพอตายแล้วมันก็จบ แต่ใจนี้มันไม่จบมันไม่ตายไปกับร่างกายอทุกข์มันก็ยังสุขทุกข์ต่อไปถ้าทุกข์ก็ทุกข์ต่อไปส่วนใหญ่จะทุกข์กันมีผู้ที่ไม่ทุกข์ก็คือพระพุทธเจ้ากับพระสาวกของพระพุทธเจ้านั่นนั้นที่ไม่มีความทุกข์ทางใจนอกนั้นมีความทุกข์ทางใจกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเทวดาอินพรหม เป็นมนุษย์เป็นเลนระชานเป็นเปรตเป็นอะไรต่างๆนี่ยังมีความทุกข์กันยังไม่ได้ศึกษายังไม่ได้เรียนจบวิชารักษาโรคใจพระพุทธเจ้าพระสาวโกนี่ท่านเรียนจบแล้วถ้าเป็นหมาเป็นหมอรักษาโรคใจได้แล้วท่านจึงมาสอนพวกเรา ให้พวกเราเรียนรู้วิธีรักษาโรคใจถ้าเราเรียนเรารู้เราก็จะสามารถที่จะรักษาโรคของใจให้หายไปได้ต่อไปใจของพวกเราก็จะไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวต่อให้มีอะไรมากน้อยเพียงใดก็ไม่สามารถ ดับความทุกข์ทางใจได้ดับได้ก็ความทุกข์ทางร่างกายเวลาร่างกายขาดอาหารมีเงินทองมีอาหารซื้ออาหารมารับประทานความทุกข์ทางร่างกายก็หายไปเจ็บไข้ได้ป่วยมียารักษาโรคมีหมอรักษาก็หายได้แต่โรคใจนี้ไม่มีอะไรจะรักษาได้ นอกจากคำสอนของพระพุทธเจ้าวิธีรักษาโรคใจของพระพุทธเจ้าที่ท่านรักษาโรคใจของท่านให้หายได้แล้วท่านก็เาวิธีนี้มาสอนพวกเราสอนให้พวกเรารักษาโรคใจกันด้วยการฆ่าเชื้อโรคของโรคใจเชื้อโรคของโรคใจก็คือตัณหาความอยากต่างๆ กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาหตัวนี้เป็นตัวสร้างความไม่สบายใจสร้างความทุกข์ใจสร้างความเศร้าโศกเสียใจวิธีที่จะทำลายเชื้อโรคของใจได้ก็คือการตามคำการทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ทำอยู่สาม สามขั้นด้วันขั้นแรกให้ทำทานขั้นที่สองให้รักษาศีลขั้นที่สามให้ภาวนาทำทานก็จะลดความอยากได้เวลาอยากจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ก็เอาไปทำบุญแทนใช้ถุงพลาสติกก็ได้ถุงพลาสติกนี่ก็สบายใช้แล้วก็ทิ้งได้เบื่อมันก็เปลี่ยนยี่ห้อได้ เบื่อยี่ห้อโลตัดก็ไปเปลี่ยนเป็นบ i กซก็ได้เบื่อบ i กซก็เปลี่ยนเป็นเซ n t r a l เนาะมันมีหลายยี่ห้อมันก็เป็นกระเป๋าเหมือนกันพิวได้เหมือนกันใส่ของได้เหมือนกันถ้าสังคมมีรถสิยมใช้ทุกพลาสติกกันก็คงจะดีไม่ต้องไปซื้อเบอร์ชาเช่อะไรซื้อชาเลวซื้ออะไรต่าง ซื้อ Big C ซก็ได้ซื้อฟูดแลนด์ก็ได้มีหลายยี่ห้อใช้ได้เหมือนกันเป็นกระเป๋าเหมือนกันถุงใส่ของเบื <c oughs> ่อก็เปลี่ยนได้ไม่เสียตามไปจ่ายกับข้าวไปซื้อข้าวของเขาก็แถมกระเป๋ามาให้อันนี้คือวิธีลดความทุกข์จากการที่อยากจะซื้อของต่างๆ ที่ฟุ่มเฟือยของหรูหรของไม่จําเป็นเวลาจะเอาเงินไปซื้อของเหลนี้เอาเงินมาทําบุญดีกว่าทําที่ไหนก็ได้ทํากับใครก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องทํากับพระทํากับวันทํากับพ่อกับแม่ทํากับเพื่อนทํากับลูกทํากับใครก็ได้อย่าทํากับตัวเราก็แล้วกันอย่าทำกับความอยากก็แล้วกัน เพราะทำแล้วมันจะติดมันจะอยากมันจะไม่พอได้แล้วก็อยากได้อีกเดี๋ยวไปเห็นกระเป๋าใบใหม่ ก, ก็อยากได้ไอ้มันสวยกว่าบใบเก่าละรุ่นใหม่ออกมานี่มันดีกว่ารุ่นเก่ามันก็หลอกเราไปหลอกเรามาเนี่ยบางทีมันก็รุ่นเก่ามารีไซเคิลใหม่รุ่นรุ่นของแม่ของยายเราวนี่ที่เราไม่เคยเห็นก็ใช้กันเบื่อแล้วแต่ รุ่นเราไม่ยังไม่เคยเห็นพอก็เอามารีไซเคิลมาขายก็กลายเป็นของแปลกของใหม่ขึ้นมาเองนี่ยมันกระโปงเนี่ยเดี๋ยวมันก็สั้นเดี๋ยวมันก็ยาวมันก็ขึ้นๆลงๆอย่างเงี้ยหลอกเราไปเรื่อยๆนเั้เนเอย่าซื้อของตามความอยากเพราะจะทําให้เราทุกเวลาที่เราอยากเราซื้อไม่มีเงินซื้อของแล้ว อยากก็อยากไปเที่ยวอยากไปหาความสุขต่างๆทางตาหูจมูกนิ้วกายเวลามีเงินก็ไปไปีใหม่จองตั๋วกันไหมยังจะไปไหนดีไปญี่ปุ่นไปฮ่องกงไปเกาหลีไปแล้วมันติดนะไปแล้วมันก็อยากจะไปอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาไม่มีเงินไปมันก็จะทุกข์อยู่บ้านไม่ได้ แต่ถ้าเอาเงินมาทำบุญนี่มันจะอยู่บ้านได้ทำบุญแล้วอิ่มใจสุขใจไม่มีความอยากไปไหนบุญทำให้เราอิ่มความอยากทำให้เราหิวทำเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็ยิ่งหิวทำตามความอยากกี่ครั้งมันไม่หมดทาแล้วก็อยากจะทาอีกซื้อแล้วก็อยากจะซื้ อ, อ อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งสําหรับลดความอยากเอาเงินมาทําบุญกันงานที่จะไปซื้อของที่ไม่จําเป็นของฟุ่มเฟือยของหรูหราหรือว่อาไปเที่ยวก็เหมือนไปซื้อยาเสตติดนะซื้อแล้วมันก็ติดใช่ไหมต้องซื้ออยู่เรื่อยๆลองหันมาใช้ถุงมลาสติกอยู่เลยไหนๆก็ถือถุงพลาสติกไปเนี่ย ใครจะว่าไงก็เรื่องของเขาเราไม่ได้ไปขโมยเงินของใครเราเอาเงินมาแจกเอาเงินใส่ถุงพลาสติกดูให้ดูใครจะมาว่าเรารึเปล่าเอาเงินที่เราจะไปแจกเอาไปทำบุญเนี่ยใส่ถุงพลาสติกไว้เดินไปเจอใครก็อ่ะไปร้อยคนนี้ร้อยดูซิใครจะมาว่าเราวป่า ดีแต่ดีกว่าใส่กระเป๋าแพงใช้กระเป๋าแงแพงในกระเป๋ามีแต่กระดาษทิชชู่ไม่มีเงินแจกใครเลยอลองเปรียบเทียบดูกระเป๋าใบหลายหมื่นเนี่ยไปเอาตรงพลาสติกแล้ว เ, เงินหลายหมื่นใส่ไปดีกว่าแล้วเดินไปเจอใครก็หยิบให้เขาแป้งค์ร้อยเอาคนนี้ไปใบคนนี้ไปใบดูสิว่าใครจะมีความสง่าราศีกว่ากัน คนที่ถือกระเป๋าใบละหลายหมื่นหรือใบละแสนกับคนที่ถือถุงพลาสะติกแต่มีเงินแสนอยู่ในถุงพลาสะติกเนี่ยเดินไปก็แจกไปกเจอใครเอาไปปีใหม่ซื้อของขวัญใครจะใครจะงามกว่ากันใครจะสวยกว่ากันใครจะมีเสน่ห์กว่ากันถือกระเป๋าแพงๆแต่ในกระเป๋าไม่มีงเงินแม่ตาบาด ที่จะมาแจากใครใช้กระเป๋าใช้ใช้ถุงถูกๆแต่มีเงินแสนอยู่ในในถุงเดินไปไหนเจอใครก็แจกเขาไปแจกเขาไปอย่างนี้ทำทานทำให้มันหมดเลยหมดแล้วจะได้ไปบวชได้ถ้ามีแล้วเดี๋ยวมันก็ ต้องเอกไปใช้ไปเที่ยวไปอะไรกันคนที่ไปบวชก็คือว่าเขาไม่ต้องการใช้เงินแล้วเขาไม่ต้องการใช้เงินเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวไปเที่ยวก็ดีใจสุขใจกลับมาก็หายไปหมดแล้วอยู่บ้านต่ออยู่บ้านไม่กี่วันก็เหงาอีกแล้ว ว, ว้าวเวเบื่อต้องออกไปเที่ยวไหม่ น, นี่คือการทําทานอย่าไปฟังพวกที่บอกทำทานแล้วจะรวยเป็นมหาเศรษฐีอันนี้ไม่ใช่เป็นคําสอนของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พวกเรารวยรวยแล้วมันจะติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดมีเงินแล้วมันจะใช้เงินตามความอยากแล้วมันจะทุกข์เวลาเงินหมดเวลาเงินหมดก็กระโดดตึกตายกันเวลาล้มละลายไม่มีเงินทองไม่มีหน้ามีตา ไม่กล้าเจอหน้าใครอับอายขายหนะ้ากระโดดตึกตายดีกว่าท่านท่านสอนให้เราอย่าไปพึ่งเงินทองต่อให้รวยขนาดไหนเดี๋ยวตายมันก็หมดอยู่ดีหมดแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เพราะยังอยากรวยอกีก การทำทานนี้เพื่อตัดความอยาก mm hmm. เพื่อจะได้ไม่กลับมาเกิด mm hmm. แต่พวกมิจฉาที่มันก็รู้ใจของพวกเราว่าอยากรวยกัน mm hmm. มันก็เลยเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาบิ ด, mm hmm. บ, ดบิดเบือน mm hmm. ทําแล้วรวยอ mm hmm. ยิ่งทํายิ่งรวยร mm hmm. วยไปทําไมดูพระพุทธเจ้าท่านอยากจะรวยหรือเปล่า ท่านเป็นพระพุทธเจ้าพราะท่านรวยหรือท่านจนท่าน เ, นเป็นได้ท่านก็รวยก่อนที่ท่านจะมาจนท่านก็รวยท่านก็เป็นพระราชโอรสอยู่ในวงังมีปราสาทสามฤ ด, ดูรวยแต่ทุกพอจนแล้วไม่ไม่ทุกพอจนแล้วไม่มีเงินจะใช้มันก็เลยหยุดความอยากได้ ถ้วมันมีเงินใช้มันก็หยุดความอยากไม่ได้เดี๋ยวก็อยากซื้อนู่นเดี๋ยวก็อยากซื้อนี่นนนถ้าเกิดมใครให้เราเงินสักสิบด้านเนีจะจะเก็บไว้เฉยๆได้ป่าว<ม>ทำไมตอนนี้เราก็อยู่ดได้ไม่มีเงินสิบด้านเราก็อยู่ได้ทําไมพอมีสิบด้านเราต้องไปใช้มันด้วยเพราะอะไรพะคิดว่าใช้แล้วมันมีความสุข<ม>ใช่ไหอ<ม>แล้วพอมันหมดแล้วจะทำไง ความสุขมันก็หายไปเลย ท, ที่ไม่มีใช้แล้วจะทำไงก็ทุกข์กันไม่คิดกันน อ, อย่าไปใช้ใช้เงินด้วยความอยากมันจะติดเงินหมดแล้วแต่ความอยากมันไม่หมดไปกับเงินความอยากมันยังมีต่ อ, อแล้วมันจะทําให้เราทุกข์เพราะเราไม่สามารถทําตามความอยากได้ แต่ถ้าเรามาทำบุญนี่ความอยากมันจะหายไปเพราะเราจะไม่เอาไปใช้ตามความอยากเพราะไม่มีใครอยากทำบุญกันใช่ไหมนี่คือเป้าหมายของการทำบุญเพื่อให้เราจนเพื่อให้เราจะไม่ไม่ไมเราเพึ่งเงินทองเพราะเงินทองนี่มันเป็นที่พึ่งไม่ได้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอน เวลาที่ไม่มีแล้วมันจะเดือดร้อนแต่คนที่ไม่พึ่งเงินทองนี่เวลาเขาไม่มีเงินงเขาไม่เดือดร้อนพวกที่ไปบวชนี่เขาไม่พึ่งเงินทองเขาพึ่งธรรมะพึ่งคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมแล้วใจสงบแล้วมีความสุขสุขยิ่งกว่ามีเงินทองใช้เงินทองเป็นร้อยล้านพันล้าน นี่คือวิธีรักษาโรคใจของอุะเจ้าในระดับอนุบาลในระดับของพวกที่มีเงินทั้งหลายพวกเราที่มียังมีเงินอยู่นี่เราต้องหัดเลิกใช้เงินหัดเลิกพึ่งเงินทองถ้าจะใช้ก็ใช้กับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น mm hmm. เช่นอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุง่งห่มแต่ก็ให้มันพอประมาณแลก็ไม่ต้องรู่ร้าไม่ต้อง แพงอาหารมือละร้อยกับอาหารมือละห้าร้อยมันต่างกั น, นอย่างไรกินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันเดี๋ยวถายออกมาก็เป็นอุจาอจาระเหมือนกันอุจจาระห้าร้อยกับอุจจาระร้อยหนึ่งชอบซื้อของชอบชอบอุจจาระแพงๆกันชอบปัสสาวะแพงๆกัน น้ำขวดละสิบาทเดี๋ไม่ได้ต้องเดิมยน้ำขวดละ100ร้อยปัสสาวะเอามามันก็ร้อยร่างกายเป็นโรงงานผลิตปัตสสาวะแต่ทำบุญนี้มันก็รวยได้แต่มันจะรวยชาติหน้าเวลากลับมาเกิดใหม่เงินที่เราทำนี้เหมือนเงิ น, น, ปนไปฝากไว้ในธนาคาร ถ้าเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์มันก็จะกลับมาหาเราพร้อมดอกเบีย้ยดอกอาจจะมากกว่าต้นเสียด้วยซ้ําไปเพราะกว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีไม่รู้กี่ร้อยปีก่ ด, ดูฝากเงินไว้สักก้อนหนึ่งแล้วทิ้งไว้สักร้อยปีเลยกลับมานี่ดอกมันต้องมากกว่าต้นแน่ๆอันนี้เป็นไปได้อย่างพระเวชสันดร น, นี่ทําบุญทําทานหมดเนื้อหมดตัว พอกลับมาเกิดก็เป็นเจ้าชายสิทธัตถะคนเดียวกันนั่นเนี่ยพระเวชสัดนดรกับเจ้าชายสิถถถทธัตถะนี่คนเดียวกันพระพุทธเจ้านี่คนเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนเสื้อผ้าท้านเองร่างกายนี้เป็นเหมือนเสื้อผ้าของจิตใจเป็นพระเวชสัดนดรก็เป็นเสื้อผ้าชุดหนึ่งพอพระเวชสัดนดรตายไปก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนี่คนเดียวกันจิตดวงเดียวกัน เป็นผู้ที่มารับอนิสงของของทานที่ได้ทำไว้ในครั้งที่เป็นเจ้าชายครั้งที่เป็นพระเวชสันดรแต่เราไม่ได้พุกเป้าหมายไว้ตรงนั้นพอกลับมารวยท่านก็ไม่เอาใช่ั้มเป็นเจ้าชายสิทธัตถะได้แค่ยี่สิบเก้าปีก็ไม่เอาแล้วต้องการจะไปเป็นพระพุทธเจ้ามากกว่าก็กลับไปจนอีก สะละราชสมบัติอยู่แบบขอทานใส่เสื้อผ้าของขอทานตอนที่ออกจากวังไปพบกับขอทานขอทานเห็นเหนเสื้อผ้าของเจ้าชายเศรทฐ า, ทาสวยงามก็เลยขอเปลี่ยนอันก็เปลี่ยนให้เอาเลยท่านเลยเป็นขอทานเต็มเต็มร้อยเป็นทั้งทางใจเป็นทั้งทางร่างกายทางเสื้อผ้าท่านไม่ลังเกียจเสื้อผ้าของขอทานเลย นั้นกลับมีความสุขเพราะไม่ต้องมากังวลใส่เสื้อผ้าของเจ้าชายเดี๋ยวคนคิดว่ามีเงินเดี๋ยวก็มาป้นมาจี้อย่างี้ถ้าเป็นใส่เสื้อผ้าขอทานไม่มีใครมาแตะ้ขโมยมันปมันไปปนบ้านคนจนแล้วมันไ ป, ปนบ้านคนรว ย, ยใช่ไหมบ้านคนจนมันมีอะไร ขโมยมันก็ลองไปบ้านคนรวยบ้านที่มีข้าวมีของมีเงินมีทองเนี่ยเป็นภัยกับตัวเองมีของมีข้าเนี่ยมันเป็นภายกับตัวเองเนี่นนยสร้อยแหวนอะไรเนี่ยลองใส่ไปด้เยเด็กก็ถูกกระชากเด็กก็ถูกป่นถูกจี้ถูกฆ่าตาย งั้นอย่าไปยึดติดกับพวกสมบัติเข้าของเงินทองเลยมันเป็นภัยมากกว่าเป็นคุณเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณมันทำให้จิตใจเราทุกข์จิตใจเราวุ่นวายกังนวลวิตกไปต่างๆนาน า, นาอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าอาหารเช้ากินข้ามไป หาไม่ได้ก็อดไปตายก็ตายไปจบง่ายดีชีวิตไม่วุ่นวายตอนนี้เราวุ่นวายกับสิ่งต่างๆที่เรามีวุ่นวายกับการหาสิ่งต่างๆมาเพิ่มก็มีแต่ความวุ่นวายไปตลอดอจนวันตายเนพยายามอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากมีอะไร มาหาความสงบดีกว่าอันนี้เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่มีวันจากเราไปถ้าเรารู้จักสร้างมันขึ้นมาแล้วเราก็สามารถรักษามันได้มันจะไม่มีวันจากเราไปไม่มีใครจะมาแย่งจากเราไปได้จะมาป้นมาจี้เอาไปไม่ได้แล้วจะไม่เดือดร้อน อดอยากาดแคลนยังไงก็ไม่ไม่เดือดร้อนเจ็บเจ็บป่วยตายก็ไม่เดือดร้อนนี่แหละของวิเศษของที่พระพุทธเจ้าทรงคนพกที่พึ่งทางใจคือทำทาทานนี่ก็ทรรมนี่ก็ทาขั้นหนึ่งรักษาศีลก็อีกขั้นหนึ่ง ภาวนาก็อีกขั้นหนึ่งเอาสามขั้นนี้ท่านในสามขั้นนี้แล้วก็จบเรียนจบวิชารักษาโรคจิตใจโรคใจจิตใจจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปถ้ามีทานมีศีลมีภาวนาเ็ขั้นต้นต้องทำทานก่อนเพราะถ้ายังไม่ทำทานยังยังอยากได้เงินได้ทองอยู่ ก็จะไม่มีเวลาไปรักษาศีลไปภาวนาก็จะมัวหาเงินหาเงินมาแล้วก็จะได้ไปซื้อของที่อยากได้แต่ให้มีมากเท่าไหร่ก็ไม่พอซื้อเพราะของมันมีเยอะแยะไมหมดเพียงแต่รถยนต์นี่มันก็มีหลายรุ่นหลายราคาแล้วราคาแสนก็มีราคาล้านก็มีราคาสิบล้านก็มีร้อยล้านก็มี เงินเท่าไหร่มันไม่พอซื้ อ, อถ้าจะปล่อยไปตามทำไปตามความอยากหรอกที่อยู่อาศัยระดับแสนก็มีระดับล้านก็มีร้อยล้านก็มีพันล้านก็มีอือไปทําไมร่างกายมันอยู่ที่ไหนก็ได้พรอหบแดดหลบฝนได้ก็พอพระอยู่บนเขานี่บางทีก็ไม่มีกุติมีแต่แค่ มีแค่แล้วก็มีหลังคาฝาก็ไม่มีเนี่ยมีเสาสี่เสากับหลังคาพอนั่งสมาธิได้พอนอนได้สบายไม่มีสมบัติอะไรมีอัฐบริลขานมีสมบัติแปดชิ้นที่ไม่มีใครอยากได้อะไปวางไว้ที่ไหนก็ไม่มีใครแตะไม่ต้องมากังวลกับสมบัติ ความกังวลมันจะเป็นอุปสรรคต่อการทําใจให้สงบนั้นต้องไม่มีอะไรให้มากังวลถ้ามีอะไรแล้วมันจะต้องกังวลมีสามีก็ต้องกังวลมีภรรยาก็ต้องกังวลมีทรัพย์ก็ต้องกังวลมีลูกก็ต้องกังวลมีแต่เรื่องกังวลเท่านั้นแล้วมันจะมาสงบได้ยังไงคนที่สงบเนี่ไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าไม่มีมีก็ทิ้งหมดมีก็ตัดหมด โอตจ้าวก็เคยมีสมบัติมีลูกมีภรรยาท่านรู้ว่าถ้าไม่ตัดนั้นก็สมบไม่ได้มันจะต้องกังวลเลยตัดหมดเลยถือว่าตายจากกันเลยคิดอย่างนี้เพราะมันไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายจากกันอยู่ดีตายจากกันตอนที่เรายังไปทําประโยชน์ได้ดีกว่าตายจากกันตอนที่เราทําประโยชน์ไม่ได้ ตายจากอังแบบถูกบังคับมันตายแล้วก็ต้องไม่ตายแล้วก็ปฏิบัติไม่ได้แต่ตายแบบยินยอมตายแบบยังไม่ตายนี่ยังเอาไปยังไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวไปเจริญความสงบได้เจริญศีลสมาธิปัญญาได้อันนี้แหละเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องทำทานกัน ทำเพื่อให้เราจะได้เป็นอิสระจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องการหาเงินใช้เงินกันให้เราเปลี่ยนวิธีอยู่กันอยู่แบบขอทานกันอย่าไปคิดอะไรเลยไปอยู่วัดไปอาศัยข้าววัดกินไม่ถ้าเราไปอยู่เพื่อปฏิบัตินี่ไม่ได้เป็นการไปไปเบียดเบียนวัดเป็นการไปสร้างความเจริญให้แก่ ว, วัด วัดไหนมีผู้ปฏิบัติธรรมวัดไหนมีผู้บรรลุธรรมวัดนั้นเป็นวัดที่จะมีคนศรัทธาอยากจะเข้าหาอยากจะสนับสนุนไม่ต้องกลัวอดตายถ้าพร้อมที่จะเป็นเป็นแ๋วพร้อมที่จะล้างจานล้างถ้วยล้างซ้วมกินข้าววัดเราเรากินเพื่อ ไปปฏิบัติธรรมเราไม่ได้กินเพื่อที่เราจะไปเสษกรามกันถ้าไปกินเพื่อเสษกรามก็อย่าไปกินเสร็จแล้วก็ไปดูหนังฟังเพลงไปหลับนอนกับแฟนนี้ถ้าไปอยู่แบบนั้นก็อย่าไปอยู่แต่ถ้าเราไปอยู่เพื่อไปเจริญศีลสมาธิปัญญานี้อยู่ได้กินข้าววัดได้คนที่เขาสายบาตคนที่เขาถวายของให้วัดนี้เขาต้องการสนับสนุนคนแบบนี้ มีทัพย์สมบัติข้าของก็ยกให้วัดไปเลยแล้วก็ไปขอวัดไปอยู่กับวัดไปขอขอข้าววัดกินไม่ต้องกลัวอดตายหรอกไม่ไม่อดตายถ้าเรากินอะไรได้ไม่เลือกกินอะไรสักอย่างไม่อดตายถ้าอดสักสองสามวันเจอข้าวคุกน้ำปลาก็อร่อยอลองดูสิ เราวันไหนกินข้าวไม่ลงเพราะเบื่อกับเบื่อกับข้าวเราอดสักสองสามวันดูเดี๋ยวอะไรเห็นอะไรนี้มันอร่อยไปหมดข้าวคุกน้ำปลาก็ยังอร่อยเลยเพะฉะนั้นอย่าไปกลัวความยากความจนความยากจนนี้จะทําให้เราเป็นอิสระจะทําให้เรามีเวลามาปฏิบัติธรรมมาสร้างความสงบกันความน่ํารวยน่ากลัว ว่ามันจะเป็นบ่วงรัดให้เราไม่มีเวลาออกไปปฏิบัติกันพอรวยแล้วก็ต้องดูแลทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองแล้วก็ต้องใช้เงินใช้ทองแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปรักษาศีลไปภาวนาไปปฏิบัติธรรมไม่มีหรอกดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้างโง่หรือฉลาดเนี่ยทำไมท่านมีประสาทสามดดู ถ้าอยู่ในวังต่อไปก็ได้เป็นมหาจากักรพัดนี่ยทำไมท่านไม่เอาท่านก็ดูมหาจากักระพัดมันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันมันก็ทุกข์เหมือนกันรักษาศีนก็ไม่ได้เป็นมหาจากักระพัดเนี่ไปทาสงครามนั่นจะจะไปรักษาศีนได้ไงแล้วใจมันจะมีความสงบได้ไงจากการทำสงครขาม ท่า น, นถึงบอกว่าเป็นขอทานดีกว่าดีกว่าเป็นคนรวยเป็นขอทานแล้วไม่ต้องไปไปทำร้ายใครรักษาศีลได้อย่างสบายไม่อยากได้เงินได้ทองก็ไม่ต้องไปทำผิดศีลแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะไปนิพพานเราต้องสละสมบัติเข้าของเงินทองสละชีวิต อีวิทก็ต้องสละไม่กลัวตายถ้ากลัวตายก็ไปอยู่ในป่านในเขาไม่ได้ต้องยอมตายยอมตายแล้วมันสบายถ้าไม่ยอมนี่มันทุกข์มันจะหวาดกลัวไปเรื่อยๆไปอยู่ในป่าไม่หมายมันกลัวนี่ใจนะี่นั่งสมาธิไม่สงบถ้ากลัวแต่ถ้าโปรงปรับหายกลัวเลย ยอมตายปั๊พิจารณาด้วยปัญญาร่างกายนี้อยู่ที่ไหนก็ตายจะตายเมื่อไหร่ก็ตายเหมือนกันอยู่ที่ไหนก็ตายเหมือนกันะนั้นยอมตายพอยอมตายได้นี่ใจก็จะสงบหายวิตกหายกังวลหายหวาดกลัวทีนี้ก็ภาวนาได้สบายจะเห็นคุณค่าของการปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เรายึดติดอยู่ ว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าปล่อยวางร่างกายด้านนี้ก็โอ้โหไปไกลแล้วเนี่ยใกล้จะถึงนิพพานแล้วทำ<ม>ต้นก็ปล่อยทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองก่อนยกให้คนอื่นไปหมดเลยมีสมบัติมีเงินกี่กี่สกี่ล้านกี่หมื่นกี่แสนก็ยกให้คนอื่นไปเลยให้ใครก็ได้ เราจะได้ไม่ต้องมากังวลมาวุ่นวายกับเรื่องเงินเรื่องทองแล้วก็ไปอาศัยวัดอยู่กินข้าววัดทำทำงานใช้วัดอยู่ที่วัดก็ช่วยวัดทําความสะอาดทําอะไรต่างๆแล้วก็ไปภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้าอยู่ว่าแบบนี้ไม่มีใครรังเกียจมีแต่คนยินดี ก็ถ้าเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติไปเดี๋ยวไม่ได้ก็กลายเป็นครูบาอาจารย์ขึ้นไปแล้วสามารถสั่งสอนคนที่ไม่รู้เรื่องราวต่างๆให้ปฏิบัติได้นะนี้ขอให้เข้าใจเรื่องของการทําทานแล้วทําทานเพื่ออะไรทําทานเพื่อให้จนนะไม่ใช่ทําทานเพื่อให้รวย ถ้าใครสันว่าทำทานเพื่อให้รวยนี่แสดงว่าถูกกลอกนะทำทานเพื่อให้จนเพื่อจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องเงินเรื่องทองเพื่อจะได้มีเวลาไปรักษาศีลไปปฏิบัติไปเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเพื่อจะทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย พอถ้ามีศีลสมาธิมีปัญญาแล้วความอยากต่างๆมันก็จะหายไปหมดเช่นถ้ามีศีลอยากจะฆ่าก็ฆ่าไม่ได้นะอยากจะรักทรัพย์ก็รักไม่ได้อยากจะประพฤติปิดประเวณีก็ประพฤติไม่ได้นะอยากจะพูดกโกหกก็พูดไม่ได้อยากจะดื่มสุราก็ดื่มไม่ได้ในชะ่ไหละความอยากไปได้ทั้งห้าตัวแล้วถ้าถือศีลแปดก็เพิ่มอีกสาม อยากจะนอนกับแฟนก็นอนไม่ได้ะอยากจะกินข้าวเย็นก็กินไม่ได้อยากจะเที่ยวอยากจะดูหนังฟังเพลงก็ดูไม่ได้เที่ยวไม่ได้อยากจะแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเเผ้าทำผมก็ไม่ได้ละอยากจะนอนมากมากก็นอนไม่ได้ถ้านอนบนพื้นแข็งๆมันไม่อยากจะนอนมันไม่สบายนอนพอให้มัน พักผ่อนหลับนอนพอให้ร่างกายมันได้พักก็พอถ้าอยากนอนมันฟูกหนาๆ น, นี่เดี๋ยวมันก็นอนยาวกลับไปบ้านไปเปลี่ยนเตียงได้แล้วนะมีพูกนี้เอาไปบริจากที่ไหนก็ไปนอนบนพื้นหนาๆ น, นี่ยพื้นแข็งๆเนี่ยปูเสือ่อปูผ้าก็พอแล้วจะได้นอนไม่นานจะได้มีเวลาลุกขึ้นมานั่งสมาธิ ม า, มาปฏิบัติธรรมทีวีก็เอาไปบริจาคให้ที่ไหนก็ได้ให้โรงเรียนลงพยาบาลเข้าไปไม่ต้องดูเครื่องสำอางก็ยกให้คนอื่นเข้าไปให้หมดไม่ต้องมาเสียเวลามาวันนึงกว่าจะออกบ้านหน้าเงี้ไม่รู้เสียเวลาแต่งหน้าทาปากสักกี่ชั่วโมงหรอหวีผ้าหวีผมทำตาทำคิว้วโอ้ทำปาก กว่จะออกได้นีนหมดเป็นชั่วโมงไหนจะต้องเลือกเสื้อผ้าอีกไหนจะต้องเลือกกระเป๋ารองเท้าอีกมันเข้าชุดกันยิ่งมีมากยิ่งปวดหัวใช่ไหถ้ามีชุดเดียวมันไม่ต้องคิดใช่ไหมถึงเวลาก็ใส่มันไปชุดนั้นนะถ้ามีหลายหลายชุดนี่เดี๋ยวต้องเลือกนะล้วจ้รองเท้าคู่นี้จะใส่กับชุดนี้ดีไหมกระเป๋าใบนี้จะใช้กับ ชุดนี้ดีมัเนีถ้าถือศีลมันก็จะตัดปัญหาเรื่องราวต่างๆไปได้เยอะเลยแล้วจะมีเวลาว่างมีเวลามานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบมาหาความสุขทางใจกันพอใจสงบใจมีความสุขแล้วก็หมดปัญหานี่แหละคือสิ่งที่เราไม่ได้ทากัน เราจรึงวุ่นวายกันอยู่ทุกวันนี้ไปทำกับเรื่องที่ทำให้เราวุ่นวายกันเรื่องที่ไม่วุ่นวายไม่ชอบทำกันชอบทำเรื่องที่วุ่นวายมันก็เลยวุ่นวายนะสิอยู่เฉยเฉยมันยากตรงไหนให้นั่งเฉยเฉยเงไม่ต้องไปทำอะไรสบายสบายกว่าไปทำอะไรจะไปทำอะไรก็ต้องออกเรี่ยวออกแรง นั่งเฉยๆไม่ได้ออกเร่อออกแรงกลับนั่งไม่ได้กันอยู่ไม่เป็นสุขกันเพราะความอยากมันกดดันเวลาอยู่เฉยๆนีความอยากมันจะกดดันให้รู้สึกตึงเครียดขึ้นมารู้สึกอึดอัดขึ้นมารู้สึกเบื่อนายรู้สึกงุดเย็ดเนี่ยความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆมันจะโผล่ขึ้นมาด้วยอำนาจของความอยากถ้าเราไม่มีธรรมเราสู้ไม่ได้ ถ้าเรามีสตินี่ก็พุโทโธพุโทโธไปสู้กับมันไปเดี๋ยวสติมีกำลังมากกว่าอาการต่างๆมันก็จะสงบตัวลงไปหายไปแล้วเราก็จะอยู่เฉยๆได้อย่างมีความสุขเนี่ยสตินี่สำคัญมากเป็นเครื่องปราบกิเลสในขั้นแรกกิเลสนี่ถ้าสู้สู้สติไม่ได้ถ้ามีสตินี่ กิเลสตัณหากี่ตัวนี่โดนโดนจับมัดหมดแต่ยังไม่ตายสติยังฆ้ามันไม่ได้แต่จับมันมัดมันไม่ได้มัดมือมัดเท้ามันไว้ไม่ให้มันดิ้นได้ไม่ให้มันมาสร้างอารมณ์วุ่นวายต่างๆให้กับใจได้แล้วพอจับมันมัดแล้วขั้นต่อไปก็เอาปัญญามาฟันมันเลยปัญญาก็ต้อง บอกมันว่าในความอยากนี่มันหลอกให้เราไปหาความทุกข์กันไม่ใช่ไปหาความสุขกันอยากเราได้ความสุขมาแล้วได้ความทุกข์มากันน่ได้สุขเดียวเดียวเวลาไปเที่ยวก็สุขพอกลับมาก็ทุกข์ละหายไปแล้ความสุขก็หายไปแล้วต้องออกไปเที่ยวใหม่ก็ซื้อของมาก็สุขพอกลับมาบ้านเดี๋ยวก็อยากจะซื้ออีกแล้ว ให้คิดอย่างนี้สอนใจด้วยปัญญาว่าการทำตามความอยากนำไปสู่ความอยากที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะเวลาที่ไม่ได้ทำตามความอยากก็จะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาเดี๋ยวร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลานั้นทำตามความอยากไม่ได้เวลานั้นก็จะเป็นเวลาทุกข์ใจเศร้าใจดหดเกรจ้ยใจบางทีก็อยากจะฆ่าตัวตาย มันต้องจะอยู่ไปทาไมอยู่อยู่แล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้นี่ถ้ามีธรรมมีสติมีมีปัญญาสองตัวนี้จะไม่มีปัญหาเลยร่างกายแก่ก็อยู่กับมันได้ร่างกายเจ็บก็อยู่กับมันได้ร่างกายตายก็อยู่กับมันได้ไม่เดือดร้อนเพราะใจสงบใจไม่มีความรู้สึกเกิดอัดท้อแท้เบื่อหน่ายซึมเศร้า ใจเบิกบานสว่างสวยัยตลอดเวลาด้วยอนุภาพของสติและปัญญานี่นี่แหละทามันวิเศษคือสติและสมาและปัญญาสติทําให้มีสมาธิคือความสงบปัญญาทําให้ฉลาดทําให้ทําให้รู้ทันความหลงที่จะมาหลอกให้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอตัดความอยากได้ความ อารมณ์เศร้าหมองต่างๆก็หายไปหมดเหลือแต่ความสว่างสวยัยความเบิกบานภายในจิตภายในใจไปตลอดเวลาถ้าเราอยากจะปฏิบัติเราก็ต้องหยุดทำงานหยุดหาเงินหยุดใช้เงินกันจะได้มีเวลามาปฏิบัติกันจะได้ไปบวชกันได้คุณแม่ชีอยู่บวชอยู่วัดไหน อ๋อเฮ้ยเฮ้เคยเห็นหน้ามาก่อนเนี้ยพึ่งนะึกพึ่งอ๋อพึ่งไ น, นึกออกเลยเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้สังเกตพอเห็นเอออ๋อเอาเขาปล่อยออกมาแล้วเลยแล้วแหกคออกม า, มาอ่ามีเหตุนะพอมีเหตุมาพอมีฟองปั๊บก็โผล่เล ย, ยงงสเสร็จแล้วก็ต้องกลับไปเนยอย่ามาทะเลท่าไหล เดี๋ยวจะไปนู่นมานี่ต่อไม่ได้นะออกลับไปขังตัวเองต่อไปขังกิเลสไม่ได้ขังเราเหรอกขังให้มันตายพอมันไม่อยากออกแล้วสแสดงว่ามันตายแล้วเมื่อมันไม่อยากออกแล้วทีนี้จะไปก็ไปได้ตายก็ยังไปด้วยเหตุด้วยผลอยู่แต่ไปแล้วมันจะไม่ไม่ทุกข์ไปแล้ว ม, มันไปแล้วมันจะอยากจะกลับเพราะไม่มีที่ไหนดีกว่าอยู่ที่ที่บ้านเราเหรอกที่วัดเราเหรอก อยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดเรานี่แสนจะสบายไปก็จำเป็นไปเพื่อผู้อื่นไม่ได้ไปเพื่อกิเลสเราแล้วลถ้าไปถ้ากิเลส ต, ตายแล้วเวลาไปนี้มันไม่ได้ไปเพื่อกิเลสแล้วถ้ากิเลสยังไม่ตายนี่มันไปเพื่อกิเลสทั้งนั้นด้วยอ้างว่าทำเพื่อคนนั้นคนนี้แต่ความจริงมันเป็นช่องของกิเลสให้ไป แ, แต่ถ้าไม่มีกิเลสแล้วมันไปเพื่อคนอื่นจริงๆเพราะมันไม่อยากจะไป ที่มันไปเพราะมันฝืนใจไปจริงๆมันแต่ถ้ายังไปด้วยความอยากไปอยู่นี่ด้วยอ้างว่าไปเพื่อคนนั้นคนนี้มันไปเป็นไปด้วยกิเลสถ้ายังอยากไปอยู่อย่าไปเนะี่ยเอาให้มันให้ตายเลยีไน้กี่พรรษาแล้วเนี่ยสองออปีเครื่องคิดว่าจะไม่เจอกันสักห้าปีแอ่ว่าคุณผ้าจานเปิด อ๋องั้ต้องเปลี่ยนแ้ถ้ายังไม่ได้ห้าปียังไม่ออกงั้นไม่ว่ากรณีใดเราเป็นไงอยู่กินอยู่แบบไม่ชีเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องมีเงินก็อยู่ได้ใช่ไหมได้ก็ได้อยู่ได้เออทำงานนิดหน่อยใช่ไหมหรือไม่ต้องทำทำก็ได้ไม่ทำก็ได้อ่ นั่นเห็นไหมีที่ไปถ้าอยากจะไปบวชจริงๆมีที่ไปขอให้หาเอาหน่อยนั่นเองที่อยู่ที่อยู่นี่อยู่กันแค่สองคนนะมแม่ชีแค่สองคนอ่แม่ชีสองคนแล้วหมดห้าคนอีกอีกสามคนเป็นเป็นเป็นอุบาสิกาเลยอยู่ทึ่สิบแปดอยู่ด้วยกันนะเมื่อถือสิบแปดอ่าแต่แต่ไปไปมามาอ่างนี้แหละแล้วอยู่ประจําประจำประจำ อ่ายังเขายังไม่พร้อมที่เป็นแม่ชีกันด้วยแม่ชีไม่ให้เป็นแม่ชีคิดว่ามันยั ง, ยงไม่เป็นมันก็ยังจำเป็นต้องอ่าให้ทำงานนะช่วยใงานอยู่อแล้วสบายไหมสบายกับตอนเป็นหมอไหมเรื่องของจิตใจก็ดีกว่าก็มันลดแรง สิ่งที่จะต้องเข้ามาสู่เราเยอ ะ, อะตอนนี้เราก็มีเวลาที่จะจัดการสิ่งที่ทั้งในใจเราทีละเล็กทีลนะน้อปัญหาเรื่องงานการหมดไปเลยนะไม่ต้องกังวลแล้วใช่ไหมพอมันพอมันนึกถึงงานปุ๊บมันก็มีอื่นเข้ามามันเห็นถึงความทุกข์ตอนที่ขณะที่เราเคยทำมามันไม่ได้เห็นแต่สุข มันเห็นดันดีว่าตอนนั้นโอ้โหเราเบือขนาดไหนถ้าเรากลับไปมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้ก็ทําให้เราถอยถอยต้องเห็นว่ามันเป็นทุกถึงจถึงจะหยุดความอยากไปได้ถ้ายังเห็นว่าสุขเดี๋ยวก็ไปแต่ไม่ไปแล้วใช่ไหมไม่กลับไปแล้วเนะี่ ในที่มันจะอยู่ให้ครบห้าปีมั้ยคิดว่าคงครบค่ะอือเขาที่มางานศพที่ชายเขาจะเผาวันพฤหับก็จะมาขออนุญาตผู้อาจารย์เอาหนังสือไปแจกงานศพ่ะค่ะหนังสืออะไรลนะก็เห็นยกบอก ขอไม่ได้เนาะเพาต้องต้องช่วยจ่ายค่าพิมพ์ <สะ S 1> นี่นเดี๋ยวคนอื่นมาขอไม่แจกหมดเราก็ไม่มีแจกเน่ย <สะ S 1> ถ้าขอเล่มสองเล่มก็ให้แต่ถ้าขอเป็นร้อยเล่ม น, นี่ก็ต้องช่วยจ่ายค่าพิมพ์จะได้ไปพิมพ์ใหม่มาแจกนี่นเดี๋ยวคนอื่นมาขออีกสองสามร้อยเล่มเราก็ไม่มีแจก <สะ S 1> นี่มีไว้แจกสําหรับอบุคคลเป็นบุคคลบุคคลไป ไปมาก็หยิบไปก็ละเล่นสองเล่ม น, นี่แจกแบบนั้นแต่ถ้าจะขอไปจากนี้ก็ต้องขอให้ช่วยออกค่าพิมพ์มไม่ใช่ว่าเราอยากจะได้เงินหรอกแต่เราอยากจะได้หนังสือเอาไว้จากคนที่เขามามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมที่นี่เดี๋ยวมันไม่มีแจก วันก่อนก็เมื่อวานนี้ก็มาขอสามร้อยเล่มแล้วก็อกต้องไปติดต่อที่โรงพิมพ์เอาเองขอไปแจกนะี่ไม่ได้มีเจตนาเรื่องหนังสือนี่ให้เพื่อให้ไปอ่านให้เป็นหนังสือเป็นเหมือนหนังสือเรียนของนักเรียนนะไม่ใช่ให้นักเรียนมาขอหนังสือไปแจกนี่เป็นโรงเรียนก็ยังนะโรงเรียนเวลาเด็กมาเรียนหนังสือก็ต้องมีหนังสือให้เด็กเรียน ไม่ได้ให้ให้เด็กเอาไปแจกถ้าจะแจกต้องไปติดต่อที่โรงพิมพ์หรือว่าถ้าเรามีมากก็มาแบ่งของเราไปก็ได้เพราะว่าบางทีมันไม่ถ้าพิมพ์ไม่มากมันเขาไม่พิมพ์ให้แล้วถ้าพิมน้อยราคามันจะแพงอย่างนี้ก็มาขอแบ่งจากที่นี่ไปได้าต้องพูดให้เข้าใจี่ออกอากาศถ่ายทอดสดคนจะได้ รู้เหตุรู้ผลว่าแจกทำไมแจกทำไมไม่แจกนะเดี๋ยวจะคิดว่าเลือกที่รับมักงที่ช่างแต่เจตนารมของการแจกหนังสือก็เพื่อให้ผู้ที่มาสนใจศึกษามาให้เขาได้ไ ม, มีหนังสือไปอ่านเพราะคนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่เขาตั้งใจจะมาหาความรู้กัน แต่เวลาเอาซื้อไปแจกงานศพนี่มันคนที่ไปงานศพเขาไม่ได้สนใจจะไปหาความรู้กันเข้าไปเพื่ อ, อเป็นเกียรติแก่ผู้ตายนะหนังสือบางทีก็รับไปแล้วเขาก็ไม่ได้เปิดเลยยิ่งเป็นหนังสือธรรมะนี่โอ้ยไปถึงก็กลับไปเข้าบ้านก็วางไวล้ละถ้าเป็นหนังสือนิตยสารนี่ด้าจะแจกว่าถ้าอยากให้คนอ่านแจกนิตยสารดีกว่า มติชนสุดสั ป, ปดาห์หรืออะไรเนี่ยแจกดูสิคนเอาไปอ่านกันเยอะแยะไปหมดเราจึงไม่นิยมที่จะเอาไปแจกตามงานต่างๆเพราะคนที่ไปนั้นเขาไม่มีเจตนาไปเพื่อที่จะไปเอาหนังสืออ่านกันเขาต้องการไปทำกิจกรรมอะไรของเขา ไปงานวันเกิดก็ไปเป็นเกียรติของเจ้าของงานเอีละ่ะไม่ได้ไปเพื่อที่จะไปเอาหนังสือธรรมะมเวลาเข้ามาที่นี่แหละเขาต้องการมาเอาหนังสือธรรมะเข้าถึงมาที่นี่ถ้าที่นี่ไม่มีหนังสือธรรมะก็ก็ลําบาก ม, มีอะไรไหมมีอะไรอยากจะถามไหมอาจารย์มีคนก็ชอบถามหนูว่าตอนนี้ภาวนา ไปถึงไหนแล้วหนก็จะมาตอบเพราก็หนูไม่รู้ระยะทางที่จะถึงมันอยู่ตรงไหนก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนของทางคืออาจารย์พอจะมีอะไรเป็นตัวบอกบอกที่กัดของเราบ้าไงไหมในการอา๋อเรื่องคนถามเรื่องนี้ไม่ควรบอกเขาเหรอกเรื่องส่วนตัว พูดไปเดี๋ยวคนบางคนกล้าจจะว่าเราโอ้อวดหรือบางคนก็อาจจะว่าป่วยปวดปวดมาต้องนานได้แค่นี้เองเหรอืออะเั้อย่าไปพูดดีกว่าตรงอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะ เ, เรื่องปฏิบัตินี่ไม่ไม่ต้องไปไปบอกใครว่าเราถึงขั้นขั้นนี้แล้ว บางทีมันอาจจะถึงก็ได้บางทีอาจจะไม่ถึงก็ได้บางทีเราอาจจะประเมินสถานการณ์บิดไปก็ได้แต่เดี๋ยวกายจะกลายเป็นอุตริไปก็ได้เห็นถ้าถ้าจะพูดกับพูดถึงการปฏิบัติของเราว่าเรา ป, ปฏิบัติแบบนี้ตอนนี้ตอนนี้เราพูดโทรทั้งวันเนี้บอกก็ได้แค่นี้ด้วย ถ้าไม่จําเป็นอย่าไปพูดดีกว่าเพราะว่ามันมีแต่เจ้งกับเจ้าไม่ได้อะไรอย่าไปเสียเวลาคุยกับคนดีกว่าเอาเวลาไปภาวนาดีกว่าตอนตอนนี้ถ้ายังต้องภาวนาอยู่อย่าไปเสียเวลาคุยกับคนนั้นคนนี้ใครจะถามอะไรก็จะคุยอะไรก็พูดคำสองคาก็พอ <จบ S 1> เพื่อให้มันจบจบเรื่องไปก็ดีแต่อยู่กัน 2-3 คนนีคก็ไม่ต้องคุยกันใช่ไหมเลิกคุยกันอยู่ก็ค่อยๆ ไ, ได้คุยกันยกนบางทีก็จะมีคนอื่นถ้าพูดพอไม่ให้เสียมารยาทเสร็จแล้วก็ขอตัวไปอย่าพูดกันน้ำลายงองปาก น้ำลายท่วมปากแล้วงานงานจะเสร็จเมื่อไหร่นะงานจะเสร็จวันวันศุกร์ค่ะแต่วันเส า, เาร์เขาจะทำบู ล, ล อ, อีกทีนึ่แล้วก็คงกลับวันอาทิย์อย่าทะเลทลายนะรีบกลับนะ เดี๋ยวก็เหลือ น, นิมนต์ไปนูนน่นไปนี่ต่อเชิญไปนู่นไปนี่ต่ อ, อไปอว่ามาอยากจะทำอะไรมีสคำถามนะคะคือถ้าบางครั้งเราตื่นเช้ามาเรารู้สึกว่าจิตใจหดหู่ทั้งวันอย่นีคะหรือเช้ามารู้สึกมันลงกหดหู่ทั้งวันทําให้เราเหมือนแบบไม่มีแรงข้างยายปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีวิธีแก้ไข มีแต่จะทำได้หรือเปล่านั้นนะให้ท่องพุโทโธพุทโธไปอย่าไปอยากให้มันหาย ห, หวหูยิ่งอยากมันยิ่งหดหูให่มันเป็นภาวะของจิตที่มีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาเหมือนฝนฟ้าอากาศอย่าไปอยากไปเปลี่ยนมันฝนฟ้าอากาศกบางทีเมฆบางวันก็มืดคลื่นด้วยเมฆหมอ ก, กปล่อยมันมืดคลื่นไปบางวันก็สว่างสวาย ใจิตใจเราก็เป็นอย่างนั้นบางวันก็หดหู่บางวันก็จะสว่างสวายวิธีที่จะแก้ได้ทางใจิตใจก็คือต้องพุโทโธพุทโธไปแต่อย่าไปอยากให้มันหายเพียงแต่พุทโธพุทโธเพื่อหยุดความอยากที่จะอยากให้มันหายแ ล, <im> แล้วมันจะทําให้เราไม่ทรมานกับความหดหูของของใจก็ปล่อยไปก็ปล่อยไปแต่เราก็ต้องพุทโธพอดพุทโธถ้าไม่พุทโธมันจะอยากมันจะอยากให้หาย แล้วมันจะมีความรู้สึกยิ่งยิ่งเหนื่อยท้อแท้แต่ถ้าเรามีพุโทโธพุธโทโธมันจะไม่ท้อแท้มันจะอยู่กับอารมณ์หดหูได้ยังต้องหัดท่องพุโทโธไว้พอไหนมีอารมณ์ไม่ดีโกรธเกลียดใครเสียใจเนี่ยพุโทโธไปเนี่ยแล้วมันจะทําให้ใจเราสบายแล้วก็จะอยู่กับเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบได้ รวมถึงเวลาที่เราโกรธมาโหรใครด้วยทุกอย่างเลยเวลาใจไม่สงบด้วยความโลภด้วยความโกรธด้วยความหลงเลยพุทโธไปเลยถ้าไม่อยากจะทําะไรใช้พุทโธไปก่อนแล้วพอใจไม่ไปคิดถึงมันใจก็จะมันอารมณ์อาจจะไม่หายแต่ใจเราจะไม่ทุกข์ไปกับมันใจเราจะสบายไปกับมันหรือบางทีก็หายไปเลยบางอย่างถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันอืก่าออเ ฮัตใช้พุทโธหัตฝึกสติอันนี้เป็นเป็นเครื่องมือชิ้นแรกที่ที่ง่ายที่สุดในนามีเรื่องปัญหาทางใจนี่พุทโธไปเลยต้องพุทโธแบบไหแบบท่องไปเลใจปรบสบายสายตามใจเราจะเร็วจะช้าแล้วแต่เราถ้ามันช้าแล้วมันยังมันยังวุ่นอยู่ก็ให้มันเร็วขึ้นไม่ให้มันไปคิดถึงเรื่องที่เรากําลังวุ่นอยู่อย่าไปให้มันอยากให้ เรื่องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้ามันยังเดือดแล้วก็พุดโธให้มันถี่ขึ้นเร็วขึ้นอแต่ไม่ต้องเป็นการกระแทกใช่ไหมคไม่ต้องพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้ใช่ไหมก็พุทโธพุทโธแล้วแต่ไม่แน่บางทีกระแทกก็มันยอมก็กระแทกไปแล้วแต่ลองดูวิธีไหนก็ได้ที่ทําให้มันใจมันมันสงบมันไม่วุ่นวายก็ใช้ได้แค่นี้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ภายในใจแล้วเหตุการณ์ภายนอกก็เหมือนกันบางทีก็เป็นเรื่องภายนอกทำให้เรากดหูใจบางทีก็เรื่องภายในอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียบางทีนอนไม่หลับแล้วพอตื่นขึ้นมาอารมณ์ก็นอนไม่พอมันก็อารมณ์เสียได้แล้วก็ใช้พุโทโธพุโทโธไปแล้วถ้าบา ง, บางครั้งถ้าเกิดเรารู้สึกเหมือนแบบดีใจสบายใจเหมือนปั เหลืองเลี้ยในใจเราพูดโทรได้ไหมคะถ้าหลังถ้าหลืงก็ก็ได้ก็พูดโทรไปบอกให้อย่าเหลืงนะเดี๋ยวอเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเมก็จะเล่ารอยไปเดี๋ยวทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเหตุการณ์ที่ดีเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปได้ะยั้นอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจกับเหตุการณ์ต่างๆเลกมันให้ให้เป็นตาให้มันรู้เฉยๆอย่าไปมีอารมณ์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้น ฝึกใช้สติไปพุโทโธพุโทโธไปมีใครอยากจะทำอะไร ไ, ไหมมีม <า S 2> อ่ะมาขออนุญาตปฏิบัติธรรมที่บ้านทั้งบนนะเจ้าค่ะที่ป่าไม้เลยได้ที่แล้วยังไงได้ได้แล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อให้ทำยังไง อยู่<ห>คนเดียวไม่ยุ่งกับใครไม่คุยไม่คุยกับใครไม่ต้องไปตักป่านะเจ้าค่ะไม่ต้องอะไรทั้งนั้นอ่ให้พุโทโธให้เจริญสตินั่งสมาธิคอยควบคุมใจให้มันหยุดความคิดอย่าให้มันปรุงแต่งให้มันสงบไปเรื่อย ๆ, อยๆงานๆาแต่ดูหนังสือธรรมะได้ออถ้าอยากจะอ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมะในฝังได้น แต่อย่าไปดูอย่างอื่นดูบันเทิงดูข่าวดูอะไรนะี่อย่าไปติดตามอีมงอีเมลไม่ต้องไปสนใจเพราะเดี<ม>๋ยวมันจะทําให้ใจเราวุ่นขึ้นมาเราต้องการมาทําใจให้สงบใจเราก็เป็นเหมือนน้าในตุ่้ถ้าไม่มีใครไปตักมันเดี๋ยวมันก็นิ่งถ้าเดี๋ยวเราไปตักมันไป กวนมันมันก็ขุ่นขึ้นมาใจเราต้องอย่าให้มันมีเรื่องมีราวเข้ามาทาง YouTube กับทาง o ฟ k เป็นยังไงในช่วงนี้คนเข้าไม่ถึงสองสามแสนเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเหลือแค่แสนกว่าหายไปไหนเน้เเาเริ่มแชร์กันนะนะครับบางวันวะเฮาอาจารย์บางวั น, น, นช่วงสามสี่วันนี้นะแต่อันนี้ยอดมันตกต่ำกว่า้านแล้วนี่นะอาทิตย์ธรรมดา ประดานึงมันเคยขึ้นเกือบสองล้าน <c oughs> เดี๋ยวนี้ต่ำเก้าแสนแล้วมันลดลงไปเรื่อยๆหรือว่าก็เปลี่ยนวิธีนับก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรละมันเป็นเพลงแต่ตัวเลขก็เห็นว่ามันมันมันเปลี่ยนไปก็เลยลองคุยดูเดี๋ยวคนต่อยังจะถามคนที่เขารู้เรื่องว่าไอ้คาว่าเข้าถึงนี่หมายถึงอะไรครเดี๋ยวเราไปถามให้ชัดเจนเอาจะ เพราะใชครับไอ้ความไม่ไม่รู้ว่าเรียกว่าความอยากเหรครับความความไม่อยากทำบุญไม่ความไม่อยากทำบุญกับวัดรวยรวยแต่อยากทำบุญกับคนจนเป็นมิจฉาทิฐินะครับที่ไม่อยากทำบุญกับวัดรวยรวยมันก็เป็นความเห็นอย่างหนึ่งซึ่งถ้าเป็นเหตุเป็นผลก็ไม่เป็นกิเลสเช่นถ้าเราเห็นว่าวัดนี้เขามีเยอะแยะอยู่แล้ว เขาพร้อมอยู่แล้ว เ, เราก็ไม่ต้องไปทำกับเข า, เาไปทำกับวัดที่ขาดแคลนอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลแต่อย่าเป็นอคติก็แล้วกันคือไม่ชอบวัดรวยอย่างเดียวไม่ว่ า, าซึ่งบางทีวัดที่รวยนี่อาจจะมีธรรมะที่เราต้องการาที่วัดที่จนไม่มีให้เราก็ได้เช่นวัดของครูบาอาจารย์ที่ท่านมีคุณธรรมสูง ท่าก็มักจะมีลูกศิษย์ลูกค้ามีคนไปทำบุญกันเยอะก็จะเห็นว่ารวยอันนั้นเราก็ไปก็ได้แต่อาจจะไม่ต้องทำมากก็ได้ทาไปเพื่อไปฟังทำก็ได้ไม่ต้องไปทำก็ได้แต่ควรจะไปเพื่อเพื่อทำเพราะทำนี่มันมีคนค่ากับบุญที่เราทำด้วยการถวายเงินถวายข้าวของ บุญที่ได้จากการถวายข้าวของเงินทองนี้สู้บุญที่ได้จากการฟังธรรมไม่ได้เราจะเพราะฟังธรรมของผู้ที่บรรลุธรรมนี่จะได้ทาบริสุทธิ์ได้ทาแท้แล้วจะทําให้เราสามารถบรรลุธรรมตามท่านได้ยังไงก็อย่าไปรังเกียจวัดที่รวยต้องดูว่ารวยเพราะอะไรแล้วก็เราไปวัดเพื่ออะไร ถ้าราคว่าไปเพื่อสนับสนุนวัดอันนี้เราก็เลือกวัดไปก็ได้ไปวัดที่ยากจนก็ได้แต่วัดที่ยากจนก็ต้องระวงังทําไมถึงไม่มีคนไปกันเพราะว่าจเจ้าอาวาสไปมั่วสีกาหรือเปล่าออย่างนี้นะเดี๋ยวถ้าไปวัดจนไปวัดแบบนั้นเดี๋ยวก็ไปทําบุญกับพระที่ไม่ที่ทุศีนขึ้นมาจยมียายโยมมาเล่าให้ฟังว่าจะไปสร้างกุฏิอยู่วัดนี้ แล้วพอสร้างไปได้ครึ่งหนึ่งเาได้ข่าวว่าเจ้าวาดไปมั่วศรีกาใล่ไรเลยหมดกำลังใจไม่อยากจะสร้างสร้างเสร็จเพียงครึ่งเดียวมาถามว่าจะทำไงดีถ้าคิดว่าเป็นการทําบุญก็สร้างไปต่อต อ, ตอนกาศจะสร้างก็จะไปอยู่จะไปปฏิบัติธรรมที่นั่นทีนี้พอเห็นเจ้าวาดอาจารย์ท่านเป็นอย่างนี้ก็เลยหมดกำลังใจหมดศรัทธาไม่อยากจะไป ที่สร้างมามันก็สร้างไม่เสร็จเหลือครึ่งหนึ่งก็คิดว่าถ้าอยากจะเป็นเรื่องการทําบุญก็ทําไปให้มันเสร็จทำให้มันเสร็จเพื่อคนที่เขาจะได้ใช้ได้ยังไงมันก็ยังเป็นสมบัติของวัดอยู่เดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนเจ้าวัดองค์ใหม่ที่เป็นพระที่ดีก็ได้เน้นบางทีอย่าใช้อารมณ์คิดว่าโอ๊ยวัดรวยวัดอะไรนี้ มันต้องดูว่าวัดรวยนี่ดีหรือไม่ดีหรือวัดจนนี่ดีไม่ดีดีกว่าดูที่ดูที่ทำการไปวัดนี่เป้าหมายที่แท้จริงก็คือการไปรับธรรมะจากพระจากวัดเพื่อเอามาปฏิบัติส่วนการทำบุญนี้ถ้าเราไม่ชอบทาบุญกับวัดไปทำบุญกับบรเต็งก็ได้ทำบุญกับร่วมกระตันยูก็ได้ทำบุญกับสภาการชาติไทยก็ได้ อันนี้ทำได้ทำที่ไหนก็ได้ไปปล่อยนอกปล่อยปลาก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรมีคำถามเขม้ามาไหมคำถามจากอินบ็อกคถามจากคุณจร อ, อยากทราบว่าการบนบานสารกล่าวกับหลวงพ่อหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ต่างๆในทางธรรมถือว่าผิดหรือไม่ครับ เพราะมีคนใกล้ชิดบอกว่าเป็นเหมือนสัญญาต่างๆตอบแทนเราขอท่านให้เมื่อผลสาเร็จแล้วก็ต้องตอบแทนกันคือมันไม่เป็นเหตุเป็นผลอ่ะคือการบนบานนี่มันไม่เหมือนกับการไปซื้อของที่ร้าน7ได้แน่ๆอยากซื้อขนมก็เอาเงินให้เขาเขาก็ให้ขนมเรามาการไปบนบานขอนุนขอในจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนี่มันไม่มีเหตุเป็นผลอ่ะ สิ่งหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้อยู่ที่ไหนสอง <Okay. S 1> เขามีอนุภาพไงจะมาทําให้เราได้ในสิ่งที่เราอยากได้แล้วไม่มีอนี่บางทีมันเป็นเรื่องบังเอิญไปใบบนนะมันก็ได้แต่มันไม่ได้ได้เพราะจากการบนหรอกมันได้เพราะมันมีเหตุปัจจัยที่ทําให้มันเกิดขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรื่องบูนบานนี้เป็นเรื่องไร้สาระ พ, พูดง่ายๆ ไม่มีไม่มีพื้นฐานของความเป็นจริงอยู่เป็นเรื่องของเหตุบังเอิญแต่ที่เรื่องเขาบอกว่าถ้าบุญแล้วต้องไปใช้บุญนี้ก็เพราะว่าให้เราเป็นคนมีสัจจะเราไปสัญญากับใครว่าจะทำอะไรให้เขาแล้วพอเขาทำให้เราแล้วเราไม่ไปทำให้เขาเนี่ยเราจะเสียสัจจะเราจะเป็นคน โ, โกหกจะเสียเครดิตแล้วเราจะหลอกตัวเราเอง พอต่อไปแล้วอาจจะตั้งสัจจะว่าจะทำนู่นทำนี่พอเราได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วเราก็ไม่ไปทำอย่างนี้ก็มันก็จะทำให้เราเป็นคนโกหกหลอกลวงไปยังเขาถึงเขาถึงบอกถ้าไปบนอะไรแล้วก็ต้องไปใช้บนถ้าไม่อยากจะใช้บนก็อย่าไปบนแต่เรื่องบนนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของเหตุของผลเป็นเรื่องของไม่มีไม่มีอะไรมา มายืนยันว่าบุนเราจะได้สิ่งที่เราบวญก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วสิ่งที่เราบวญนี่เขาทำให้เราได้สิ่งที่เราบวญได้อย่างไรมันไม่มีเหตุไม่มีผลอย่าง น, นก็ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่บวญกันทุกอย่างอยากจะเป็นเศรษฐีก็ไปบวญกัน <c oughs> เดี๋ยวก็รวยแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอก <c oughs> คำถามจากทาง u t u b e นะครับการภาวนาในใจ จะต้องไปพร้อมกับลมหายใจด้วยหรือเปล่าครับไม่ต้องหรอถ้าจะใช้พุโทโธอย่างเดียวก็ได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามพ่อดิฉันเสียชีวิตแล้วค่ะแต่ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านไม่เคยทําบุญเลยดิฉันกลับเรียนถามว่าดิฉันทาบุญกวดน้ําให้ท่านท่านจะได้รับบุญที่ดิฉันทําให้ไหมคะก็ยิ้ว่าท่านรออยู่ว่าเปลารอรับอยู่ว่าเปล่า ถ้าท่านรอรับก็ได้ถ้าท่านไม่รอรับก็ไม่ได้เพราะที่ท่านไปนั้นมันมีหลายที่ด้วยกันที่ที่ที่ไปแล้วไม่ได้มารอรับก็มีมีที่เดียวที่มารอรับก็ที่เป็นที่เปรตถ้าที่นาโลกที่อบายที่อื่นนี่ไปก็จะไม่มารับกันออกมารับไม่ได้ไปนาโลกก็เหมือนกันไปติดคุกก็ไม่ปล่อยให้ออกมารับไปเป็นเดรชาญก็ไปหากินเอาเอง ไปเป็นมนุษย์ก็กลับมาทำาหากินเองไปเป็นเทวดาก็มีบุญมีบุญติดตัวไปเยอะกว่าบุญที่เราส่งไปให้เขาเขาก็ไม่ต้องมารอบุญส่วนนี้ยังก็อยู่ที่ฐานะของเขาว่าเวลาเขาตายไปแล้วเขาไปเป็นอะไรถ้าไปเป็นขอทานคือพูดคําสุภาพคนที่เราคําที่เรารับก็น่าคือขอทานทางจิตวิญ ญ, ญาณภาษาภาษาบาลีภาษาพระก็เรียกว่าเปรตเปโต ี่คนไทยแล้วไม่ชอบคำว่าเปลดเพราะว่ามาด่ากันมันก็เลยกลายเป็นคำหยาบไปคำไม่สุภาพไปแต่ความจริงมันก็เป็นสภาพของจิตดวงหนึ่งจิตที่มีแต่ความโลภความอยากไม่เคยคิดจะให้อะไรกับใครมันก็เลยหิวอยู่ตลอดเวลาไม่เคยทำบุญพอมันพอไม่มีร่างกายมันไม่สามารถหาหาอะไรที่มันต้องการได้ก็เลยต้องมารอส่วนบุญที่คนทำอุทิศไปให้เขา นี่เราไม่รู้ว่าพ่อตายไปไนี้เขาจะไปอยู่ในฐานะไหนก็ทําไปก็แล้วกันอการยิงทํานี่เพื่อเรามากกว่าทําเพื่อพ่อพราะทำแล้วต่อไปเราจะได้ไม่ไปเป็นเปรต เ, เ, เราจะได้มีบุญติดตัวไปอันนี้สําคัญกว่าแต่เอาเหตุคือพ่อมาเป็นเป็นเหตุให้เราได้ทําบุญกันถ้าพ่อไม่ตายก็คงไม่คิดจะทำบุญกันใช่ไหมถ้าไม่ ถ้าพี่ชายไม่ตายก็คงยังไม่คิดมาไปเอาหนังสือไปแจกออต้องรอให้พี่ชายตายก่อนนทะำไมแจกโดยที่เขาไม่ตายไม่ได้เลยยังหวงเงินอยู่ใช่ไหมยังอยางเาวเงินไปใช้อย่างอื่นอยู่ถึงบอกให้ทำบุญจะได้ไม่เปรนเปรตอ่ะว่ามา คำถามจากคุณยุ้งฝ่าขณะที่มีเวทนาเกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วกลับมารู้สึกตัวความทุกข์ก็จะจางคลายไปเองเช่นนี้เป็นการหนีทุกข์หรือไม่และปฏิบัติถูกไหมครับจะทำไงให้มันไม่ทุกข์ก็ถูกนคะําคำถามจากคุณปฐมพรความว่างหมายถึงการเกาะ อ, อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งใช่หรือเปล่าคะ คือลูกเกาะ อ, อยู่กับพุทโธ ท, ทั้งวันเมื่อว่างจากความคิดการทำงานลูกบริกรรมตามแบบที่พระอาจารย์สอนตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนนอนบริกรรมทุกครั้งที่ว่างจากความคิดที่ต้องทำงานอันนี้เรียกว่าจิตเราว่างไหมคะลูกสงสัยเจ้าคะ่ะมันก็ว่างจากอารมณ์ที่เกิดจากการคิดปุูกแต่งถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะไม่มี แต่ถ้าเราไม่พุโทโธเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็มีอารมณ์ต่างๆปรากฏขึ้นมาย่างนั้นก็เรียกว่าว่างจากอารมณ์ที่เกิดจากความคิดปุงแต่งคําำถามจากคุณทวิชาหนูมาปฏิบัติธรรมที่วัดแต่หนูชอบฟังธรรมพระอาจารย์เดินจงกรมนั่งสมาธิมากกว่าการสวดมนต์ทำทวัดเช้าเย็นกรณีนี้เราต้องไปปฏิบัติ เดือนว่างป่าไม้ใช่ไหมคะก็ถ้าเราชอบอย่างนั้นเราก็ต้องไปที่ที่เขาให้เราปฏิบัติอย่างนั้นที่ไหนก็ได้มันมีหลายที่วัดป่าในส่วนใหญ่เขาจะไม่มีการไหว้พระสวดมนต์กันเขาจะให้เดินจงกรมนั่งสมาธิกันเป็นหลักดงั้นก็ต้องไปหาที่ที่มันเหมาะกับการปฏิบัติของเราเพราะการปฏิบัตินี่มันก็มีหลายระดับเหมือนกับเรียนหนังสือมีหลายระดับ ผู้ที่เริ่มใหม่นี้ก็ต้องไปอัดกอไก่ขอไข่ก่อนอก็ต้องไปไหว้พระสวดมนต์กันก่อนเพราะยังนั่งสมาธิเดินจงกรมไม่เป็นพวกที่เดินจงกรมนั่งสมาธิได้แล้วก็ไม่อยากจะมากอไก่ขอไข่แล้วอยากจะเขียนเป็นสละอาสละอาไปละอันนี้ก็ก็ต้องไปไปอยู่อีกที่หนึ่งแต่ละที่นี้เขาจะมีการสอนไม่เหมือนกันถ้าเราต้องการเดินจงกรมนั่งสมาธิปิกวิเวก ไม่คุกคีไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับใครต้องการควบคุมความคิดควบคุมใจให้สงบเราก็ต้องไปอยู่ที่ที่เขาจัดให้เป็นอย่างนั้นถ้าไปอยู่ที่เขาให้ไปลงโบสไหวพระสวดมนต์ถ้าเราไม่ไปทำมันก็เสียมารยาทเสียกฎกติกาของเขาคำถามที่คุณสเป i ิทชูนะครับาศาสนาพุทธคือาศาสนาเดียวที่มีนิพพานหรือเปล่าครับ คือคำว่านิพพานมันไม่ได้เป็นของใครหรอกเพีนงแต่ว่าศาสนาพุทธนี้พบทางที่จะไปพระนิพพานคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงคนพบทางที่ไปนิพพา น, านแต่ศาสนาอื่นนี้คนที่ก่อตั้งศาสนานี้เขายังไม่ได้พบทางไปพระนิพพา น, านเขาพบทางไปแค่สวรรค์ก็เลยไปไม่ถึงพระนิพพานก็เหมือนกับขึ้ น, นบัสเนี่ยรถบัสก็มีหลายหลายสายใช่ ถ้าเราขึ้นรถไปแค่สีราชาก็ต้องพอถึงสีระชาก็จอดแล้วมันไม่ไปต่อถ้าอยากจะไปกรุงเทพก็ต้องรอวัดรถที่ไปกรุงเทพนศะาสนาก็เป็นเหมือนรถบัสที่จะพาผู้โดยสารไปตามจุดหมายปลายทางต่างๆบางศาสนาก็สอนให้ไปแค่สวรรค์ชั้นเทพบางศาสนาก็สอนให้ไปสวรรค์ชั้นพรหมมีพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวที่สอนให้ไปถึงสวรรค์ชั้นพนานิพาน คำถามจากคุณชนาภาสภาวะธรรมทุกสภาวะธรรมนี้ให้สักแต่ว่ารู้สั์แต่ว่าเห็นความอยากจะเบาบางลงใช่ไหมคะดูตามความเป็นจริงคะ่ะถ้าเราเร า, เราดูแล้วควบคุมความอยากได้ก็สักแต่ว่ารู้แต่ถ้าดูแล้วยงังอดอยากไม่ได้มันก็ยังไม่สักแต่วะรู้เห็นแล้วก็ยังอยากได้อยู่นะยังอยากได้อยู่นะคิดถึงมันอยู่นั่นนี่อันนี้ก็ยังไม่สักแต่ว่รู้ ถ้าสักแต่ว่ารู้เห็นแล้วก็ผ่านไปพอไม่เห็นมันแล้วก็ลิมมันไปไม่ใช่เดินไปเห็นกระเป๋าไปนะเดินผ่านไปแล้วก็ยังคิดถึงมันอยู่นะเดี๋ยวก็เดินกลับมาดูใหม่เดี๋ยวกเดี๋ยวนนที่สุดก็ฝากกระเป๋าซื้อมันออกมาอย่างนี้ไม่สักแต่ว่ารู้แต่วารู้ก็รู้เฉยๆรู้่ามันมาแล้วก็ไปเช่นใครก็ด่าเราปุ๊บมันก็ไปละเขา ด, าขาดา่าปุ๊บมันไปแล้วแต่เราไม่ยอมปล่อยมันไปนะเราหนึ่งกลับมาใหม่ไอ้มันด่ากูนี่ว่าเอะ ถ้าอย่างงี้ก็ยังไม่สักแต่ว่ารู้ถ้าสักแต่ว่ารู้เขาด่าปุ๊บมันก็หายไปแล้วเหมือนเราโยนก้อนหินลงไปในน้ําพอโยนปุ๊บมันก็หายไปจมน้ําไปมันก็หายไปละแต่เราไม่ยอมให้มันจมเราดึงมันกลับขึ้นมาอยู่เรื่อยๆใครพูดอะไรที่เราไม่ชอบใจแล้วก็ดันเอากลับมาคิดอยู่เรื่อยๆเขาด่าเราตลอดเมื่อเช้านี้ตอนนี้ยังคิดอยู่เลยยังไม่พอใจอยู่เลยถ้าอย่างงี้ก็เรียกก็ไม่สักแต่ว่ารู้ ถสักแต่วะารู้มันเกิดปุ๊บมันหายไปปั๊บแล้วผ่านไปแล้วมันจบไปแล้วใครด่าเราก็จบไปแล้วใครขโมยเงินเราก็จบไปแล้วก็จบไ ม, ม่ไม่มีอารมณ์กับเหตุการณ์ต่างๆพูดง่ายๆ ไ, ไม่ดีใจไม่เสียใจไม่โกรธไม่ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับอะไรทั้งนั้นถึงจะเรียกว่าศักแต่ว่รู้จริงๆคําถามจากคุณพิชยพงษ์ ขออุบายในการพิจารณาอสุภากรรมฐานครับก็ดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเยมันมีต้องเยอะแยะจะดูส่วนไหนก็ได้จะดูชอบดูโครงกระดูกก็ดูโครงกระดูกก็ได้เนี่ยพวกเรามีใครไม่มีโครงกระดูกอะมองไม่เห็นกันนะไม่นึกถึงมันมันก็มองไม่เห็นจะดูปอดก็ได้ดูตับก็ได้ดูลาไส้ก็ได้ ของโสะกะปรกที่มีอยู่ในร่างกายก็ได้มัน <Ly> ก <ili> <yi> ็อาสุภาพเหมือนกันมันก็น่าเกลียดเหมือนกันไม่ไม่สวยงามเหมือนกันแล้วแต่เราจะเลือกดูดูแล้วทําให้เราไม่หลงกับไม่ไปหลงรักร่างกายของผู้อื่นก็แล้วกันไม่ใช่พอเห็นร่างกายของเขาป๊บหลงรักอยากจะอยู่ใกล้เขาอยากจะมีเขามาเป็นแฟนอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่เห็นอาสุภาพ้าเห็นโครงกระดูกของเขาเห็นปอดเห็นนาไส้ของเขาบอว่าไม่เอาดีกว่า คำถามจากคุณพิโลงนั่งภาวนาบางวันฟุ้งซ่านมากแล้วรู้สึกเหมือนไม่พัฒนาขึ้นทําให้กังวลมากกว่าเดิมควรทําอย่างไรคะคจำเป็นหรือไม่ครับว่าภาวนากลางคืนจะทําใหส้สงบกว่าตอนกลางวันโดยปกติจิตต้องคืนมันจะสงบกว่าเพราะว่ามันเหตุการณ์ต่างๆที่มันรับรู้ในช่วงกลางวันมันจะหายไปจิตนันจะไม่มีเรื่องราวมากในตอนกลางคืน ยิ่เวลาภาวานาตอนคืนมันจะสงบง่ายกว่าตอนกลางวันแต่เราก็ต้องสามารถภาวานาได้ทุกเวลาเป้าหมายของเราก็คือต้องให้จิตสงบตลอดเวลายิ่งตอนต้นมันอาจจะสงบง่ายในช่วงกลางคืนเพราะว่าเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในกลางวัมนมันจางหายไปจากใจแล้ว ใ, ใจเราก็สงบง่ายแต่ถ้าช่วงกลางวันนี้เรื่องมันยังสดสดร้อนๆอยู่ เพิ่งไปทะลาะกับคนนั้นคนนี้มานี่มันนั่งมันนั่งไม่สงบหรอ้องถามจากคุณสุวดี <c oughs> อยากทราบว่าเมื่อนั่งสมาธิมีความสงัดมากสงบมากเหมือนได้ยินคลื่นเสียงในสมองเสียงเหมือนคลื่นวิทยุสื่อสารดังขึ้นในหัวแต่เสียงนั้นไม่ได้ทำให้ปวดหัวอะไรไปหาหมอตรวจปรึกษาแล้วค่ะไม่พบอะไร เคยถามพระอาจารย์สอนธรรมะท่านบอกว่าไม่ต้องสนใจเสียงนั้นหน้าที่เราคือปฏิบัติต่อไปอยากถามว่าเสียงที่มารบกวนนั้นจะทำอย่างไรจะต้องทำใจอย่างไรในเวลาฝึกปฏิบัติค่ะก็ให้รู้ไปว่ามันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันอย่าไปมีอารมณ์กับมันอย่าไปอยากให้มันหายถ้าอยากให้มันหายแล้วไม่หายมันยิ่งเครียดใหญ่ยันเฉย แสดงว่าจิตยังไม่สงบเต็มที่ถ้าสงบจริงๆแล้วจะทุกอย่างจะหายไปหมดเหลือแต่ความว่างแล้วก็จะมีความสุขมากเนี่ยคนที่บอกสงบสงบนี่ไม่เคยมีคนสักคนบอกว่ามีความสุขยังไม่ได้พูดคำนี้ก็แสดงว่ายังไม่สงบคนที่สงบจริงนี่ก็บอกโอยไม่เอาแล้วแฟนไม่เอาแล้วสมบัติเข้าของเงินทองเออเอาความสงบอย่างนี้ดีกว่าเอาความสุขที่ได้จากความสงบดีกว่า ายังไม่ได้พบกับความสุขอันนี้ก็ถือว่ายังไม่สง บ, บจริงคําำถามจากคุณมาสเตอร์นะครับซึ่งเป็นพระที่สุงสงนะครับตอนนี้ผมบวชในมหานิกายถ้าผมอยากอยู่สายกรรมฐานผมต้องอยู่ธรรมยุทธ์ไหมครับออสายหลวงพ่อชาสิท่านก็เป็นสายมหานิกายรไปอยู่กับวัดของหลวงพ่อชาเลยมีหลายสิบสาขามีเกือบแทบทุกจังหวัดเนาะแถวนี้ก็มีวัดมากจันทร วัดบุญยาวานี่ยนี่ก็เป็นสายของะ้าจารชาก็ไปอยู่กับท่านได้คือมันเป็นเหมือนตำรวจกับทหารเนี่ยมันมีกฎระเบียบที่ไม่เหมือนกันถ้ามาอยู่สองอแล้วเดี๋ยวมันปนมันชนกันนั้นถ้าอยู่นิกายนั้นก็ควรจะบวชบวชนิกายนั้นก็อยู่กับนิกายนั้นถ้าอยากจะไปเปลี่ยนนิกายก็ศึกไปเสแล้วก็บวชใหม่ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรได้ทั้งนั้น เพราะการรักษาพระวินัยยังไม่เหมือนกันในบางข้ออย่างโดยทั่วไปนพระมหานิกาย ท, ท่านไม่ถือว่าการถือเงินถือทองนี่ผิดพระวินยัยท่านถือว่าอนุโลมได้แล้วแล้วก็เรื่องการดื่มของเครื่องดื่มที่เป็นที่เป็นนมหรือเป็นเป็นเหมือนอาหารเสริมนี่ท่านบอกว่ามันดื่มได้เป็ น, เ ป, นเป็นเครื่องดื่ม มันไม่ได้เที่ยวมันเป็นเครื่องดื่มก็เลยดื่มเป็นน้ำปนานะไปได้แต่ทางสายธรรมยุทธ็บอกไม่ได้มันไม่ใช่มันเป็นอาหารเสริมมันเป็นอาหารมันเป็นกลุ่มของอาหารไม่ได้เป็นกลุ่มของน้ำปนานะเขาก็ไม่ดื่มกันเดี๋ยวพวกที่เคยดื่มได้มาอยู่กับธรรมยุทธว่าผมเคยดื่มผมดื่มได้ผมจะดื่มเดี๋ยวก็เตกันอยู่ด้วยกันศีลไม่ศีลไม่เสมอกันศีลไม่เท่ากัน ก็เหมือนกับฐานบกกฐานอากาศอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็บอกผมบินได้คนบินไม่ได้ผมบินได้อย่างนี้เดี๋ยวก็ยุ่งใหญ่ mm hmm. ก็งั้นทางที่ดีก็เราบวชนิกายไหนเราก็อยู่ในนิกายนั้นไปถ้าเราไม่ไม่อยากจะอยู่ในนิกายนี้เราก็เสร็จไปแล้วก็บวชใหม่ก็ไม่เห็นมีเสียหายทางไหนคําถามจากคุณพงพัน์เคยบวชจนทําสมาธิสงบ ตอนนี้สมาธิเสื่อมหมดแล้วเขาแค่มาให้เห็นเฉยๆแล้วเสื่อมไปหรือเปล่าครับแล้วควรทําสมาธิต่อไปหรือเปล่าครับก็แล้วแต่คุณคุณอยากจะได้สมาธิคุณก็ทำคุณไม่อยากได้สมาธิคุณก็ไม่ต้องทําเลยคําถามจากคุณพัฒนารีจะใช้วิธีไหนที่จะชักชวนให้บิดาทําบุญบ้างบิดาพอจะมีเงินจากที่ใช้ที่เสียชีวิตไปแล้ว ค, ะค่ะก็ชวนพ่อไปวัดสิ ไปเป็นเพื่อนก็ได้อย่าไปชวนไปทําบุญเพราะถ้าชวนไปทําบุญก็อยากอาจจะไม่อยากทําก็ได้แต่ว่าช่วยไปชวนไปเป็นเพื่อนไปแล้วพอไปแล้วเขาเกิดศรัทธาเขาก็อาจจะทําขึ้นมาเองก็ได้การทําบุญนี้มันต้องออกจากใจของผู้กระทําเองไปเที่ยวเข็นบังคับกันไม่ได้แต่สามารถหาอุบายให้เขาทําก็ได้ ท่านบางทีไปว่าคนเห็นคนอื่นเขาทากัานตัวเองก็อาจจะเก่งใจอะเขาทําแล้วก็ทําบ้างอย่างน้อยก็ได้ทําถึงแม้ว่ายังไม่ได้ทําด้วยความอยากจะทำแต่ทําเพราะความเก่งใจทําไปแล้วอาจจะเกิดความสุขใจขึ้นมาก็อาจจะครั้งต่อไปก็อยากจะอาจจะอยากจะทําเองขึ้นมาก็ได้คําถามจากคุณศาสิธร หนูรู้จักคนที่ไปวัดเดียวกันเห็นเขาทำบุญบ่อยๆพูดกาดีจึงสนิทด้วยเขาเดือดร้อนเงินไหลทั้งก็ช่วยตลอดหนูจึงซื้อที่ของเขาให้โดยเขาแบ่งโฉนดออกมาแล้วสร้างเรือนไทยขึ้นมาเพื่อให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มาพักเชียงใหม่สร้างเสร็จแล้วใช้เวลาหนึ่งปีหนูได้ทวงถามให้แบ่งโฉนดแต่เขาไม่ยอมและถึงที่สุดเขาก็ตั้งใจโกงหนูหนูโกรธมาก พยายามละมาแล้วเป็นหลายปีก็ยังไม่หมดจากใจพระอาจารย์เมตตาชี้ทางหนูด้วยค่ะก็คิดว่าเป็นการทําบุญไปก็แล้วกันคำถามจากคุณมนัทขณะนั่งภาวนาไปได้สักพักมีอาการหาวติดติดกันมานานแต่พยายามภาวนาพุทโธต่อไปเรื่อยๆจนอาการหาวหายไปทําแบบนี้ถูกไหมคะถ้าหาาหายไปก็ถูก ําไปแล้วก็ให้มันสงบให้ได้ถ้ายังไม่สงบก็ต้องทําไปเรื่อยๆคำถามจากทางกุบปลายนะครับจากคุณนิติวิทย์นะครับผมมีปัญหาสุขภาพจะมีอาการจุกๆหน้าอกมือเย็นนั่นจมูกเป็นแบบนี้ทุกวันวันละสามสี่รอบรอบละหนึ่งถึงสองชั่วโมงทรมานมากเลยครับไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอไม่ทราบสาเหตุเครียดมากจะมีธรรมะใดช่วยได้บ้างครับ ถ้ามันเกิดจากความเครียดก็ทำใจให้มันไม่เครียดพุโทโธพุทโธไปทำใจให้สงบถ้ามันไปเกิดจากเหตุที่ใจไม่สงบเวลาใจสงบอาการต่างๆมันก็หายไปได้แต่ถ้าใจสงบแล้วมันยังไม่หายก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องของทางร่างกายก็ต้องไปหาหมอมหลายๆที่จนกว่าจะไปเจอหมอที่เข า, เารู้จักรักษา ตามนงั้นก็อยู่กับมันไปพี่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาตอนนี้มันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปแล้วเดี๋ยวก็ตายก็ปล่อยมันตายไปเราก็จะไม่ทุกข์กับมันคำถามจากคุณมาสเตอร์ผมเคยนั่งสมาธิแล้วมันว่างสงบหลายวันแต่พอนานเข้ามันไม่สงบอีก พอไปถามพระที่วัดเขาบอกว่ายานเข้าในตอนนั้นผมมีความสงบมากแต่พอนั้นเข้ามันกลับฟุ้งซ่านเหมือนเดิมผมควรทําอย่างไรดีครับก็ทําให้มันสงบใหม่อิรู้จักวิธีที่ทําให้มันสงบหรือเปล่าคราวที่แล้วมันสงบเพราะอะไรก็เอาวิธีนั้นมาทําต่อวิธีที่จะสงบก็คือจิตต้องไม่คิดปรุงแต่งจิตต้องอยู่กับอะไรยักษสักอย่างหนึ่งเช่นอยู่กับพุทโธพุทโธ แลืออยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือมีสติหยุดความคิดได้ไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้มันก็สงบได้เน้นแต่และคนจิตจะสงบนี่มันตัวต้องรู้ว่าสงบได้ยังไงถ้ารู้แล้วมันก็สามารถทำใหม่ได้คำ ถ, ถามจากคุณมาการภาวนาพุทโธคือการท่องพุทโธในใจไปเรื่อยๆื่อใช่ไหมคะแล้ว<อ>ต้องท่องถี่อย่างไรบ้างคะใช้การท่องอิปิปิโสแทนได้ไหมคะ ความถี่นี้จะถี่จะเร็วจะช้าได้ตามตามอธัธยาศัยตามภาวะบางทีจิตเป็นฟุ้งมากอาจจะต้องให้มันเร็วหน่อยให้มันทีหน่อยเพื่อจะได้สู้กับความคิดความฟุ้งได้ถ้ามันไม่ฟุ้งก็อาจจะไปแบบสบายสบายก็ได้หรือเบื่อพุทโธอยากจะสวดอิติปิโสก็ได้หมดแล้ ว, ลวคือเป้าหมายก็คือให้เราหยุดคิดปรุงแต่ง เพราะความฟุ้งของเราเกิดจากความคิดปรุงแต่งของเราเองคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงคนนี้วิตกกับเขากังวลกับเขาห่วงกับเขามันก็ฟุ้งขึ้นมาได้ฟุ้งแล้วก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรใช่ไหมเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่งั้นอย่าไปคิดถ้าจะคิดก็คิดด้วยปัญญาว่าทำอะไรช่วยเขาได้หรือเปล่าถ้าช่วยเขาได้ก็ไปทำเสีถ้าช่วยเขาไม่ได้ก็ตัดเสียาเป็นกรรมของเขาไปสุดวิสัย เหมือนที่คนเมื่อกี้ถามเรื่องโรคที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นโรค ก, ก็ไปหาหมอสิถ้าคิดว่าเป็นทางร่างกายก็ไปหาหมอถ้าคิดว่าเป็นทางจิตใจก็ทำใจให้สงบถ้าใจสงบมันก็จะหายได้ถ้ามันไม่ได้เป็นทางจิตใจเป็นทางร่างกายก็ต้องไปหาหมอหาที่นี่เขาไม่รู้ก็ไปหาที่ดูเพราะหมอก็มีคนมีความสามารถแตกต่างกันหมอบางคนก็มีความสามารถ ที่อาจจะสามารถวิเคราะห์โลกของเราได้ก็ต้องไปหลายหแห่งสมัยนี้เขาเนิยมว่าอย่าไปที่หมอคนเดียวเพว่าให้มี second opinion ใช่ไหมให้มีเผื่อหมอวิเคราะห์ผิดไม่ใช่อะไระบางทีไม่มีมะเร็งมันไม่เป็นมะเร็งมันเป็นแค่เนื้อ ง, งอกธรรมดาแต่หมอคนนี้ไปวิจัยว่าเป็นเนื้อ ง, งอกเป็นมะเร็งเงี้ยก็ให้ไปหาหมออีกที่หนึ่งดู หมอที่เขามีประสบะการณ์ก็ว่าไม่ใช่หรอกมันไม่ได้เป็นมะเร็งเป็นเนื้องอกธรรมดาอมันก็ไม่ดูกันเลยทำเองมั่นใจก็หาให้คนก็ได้หายสักสี่ห้าคนแล้วก็มาลงคะแนนเสียงดูว่ามันไปทางไหนกันแนะ่แล้วถ้ามาหาหมอผ่าหมอพ่าก็บ้รงก็รักตายน่าย <c oughs> ด, ดีเดี๋ยวก็ตายรักษาไงเดี๋ยวก็ตายอยู่ดีรักษามันหายแล้วเดี๋ยวก็มีโรคให ม, ม่มารอเราอยู่ดี งั้นถ้ายอมตายสัอย่างแล้วจะสบายยอมตายยอมเจ็บแล้วก็จะสบายไม่ต้องไปรักษามันให้มันถ้ารักษาเราวุ่นวายทาให้ใจเราเครียดอย่าไปรักษามันดีกว่าถ้าไม่รักษาแล้วใจเราสงบสบายอยู่กับมันได้ตายกับมันได้ก็จบพระอาจ<ม>ครับมีคุณทิดาวัต่ทีี่ท่ทวัลต์นะครับส่งข้อความมาว่าจะนําพระแก้วมรกตขนาดหน้าตักสามสิบนิ้วไปมาถวายนะครับไม่ทราบว่าพระอาจารย์สะดวกรับที่ไหนดีครับ อ๋อยาวมาดีกว่าเพราะที่นี่เราไม่นิยมมีวัตถุแค่นี้ก็พอแล้วไม่มีที่ตั้งแล้วเอาไปถวายวัดที่เขาไม่มีดีกว่าเพราะจริงๆมันไม่มีที่ที่ตั้งมันเต็นไปหมดแล้วมีภาพพุทธรูปองเดียวก็พอแล้วไว้เพื่อเราลึกถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองจะเป็นแก้วจะเป็นโลหะจะเป็นอะไรมันก็เป็นภาพ ให้เราล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละไม่มีอะไรวิเศษวิโสไปก่อนนั้นเพื่อให้เราจะได้มีศรัทธาแน่วแน่ต่อพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้เชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้นําออกไปปฏิบัติเนี่ยขออนุโมทนานะที่มีเจตนาจะมาให้แต่ถ้าถามด้วยควางถ้ามาถามอย่างนี้ก็ดีจะได้บอกว่าอย่าเอามาดีกว่านะเอาไปถวายที่ที่เขาไม่มีดีกว่ า, ากับขออนุญาตกับผม ในพระวินัยของพระพุทธเจ้ามีบัญญัติไว้ไหมครับว่าให้พระภิกษุสงฆ์ไม่สามารถแต่ต้องทซั์แต่ต้องเงินทองได้ได้ครับก็คั้นห้าไม่ให้การว่าพกพาเงินทองคือถ้าจะมีเงินทองให้เก็บไว้กับลูกศิษย์ลูกหาเวลาให้เวลาต้องการจะใช้อะไรก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาไปจัดการซื้อให้มา แต่รับได้ยังรับเงินรับทองอยู่ได้ครับพอดีเคยไปเคยไปกราบท่านหลวงพ่อประยุทธ์แล้วถวายปั จ, จัยแล้วหลวงพ่อท่านท่านจะให้วางไว้ต่างหากหรือานจะไม่แตะต้องก็เลยถือว่าก็เลยเห็นว่า ไ, ไ, ไม่ว่าจะเป็นธรรมยุทธนิกายหรือว่ามหาธิกายก็อยู่ที่วัดปฏิบัติของแกระรูปมากกว่าใช่แต่โดยภาพรวมเนี่ย้ขาถ้าเป็นมหาธิการนี่โดยภาพรวมเขาอนุญาตให้แตะต้องเงินทองได้ บางองค์ท่านอยากจะเข่งถ้าไม่อยากแตะต้องก็ได้ยังสายของหลวงปู่ชาท่านก็ไม่แตะต้องเงินทองท่านรับอยู่แต่ว่าให้ใหฝากไว้กับลูกศิษย์ลูกหาแล้วเวลาท่านต้องการจะใช้อะไรท่านก็ให้เขาไปจัดหามาให้แต่ไม่ให้เก็บไว้เป็นของตนเองไม่ให้สะสมไม่ให้พกพาไปไหนมาไหนเพราะมันเป็นอันตรายต่อพระรถ้าเขารู้ว่าพระมีเงินเดี๋ยวก็มาป้นมาจี้กันได้ มีไหคุณมาถามต่อค่ะว่าใช้ยุคพองแทนได้ไหมคะได้ใช้อะไรก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเออเให้ใช้อย่างเดียวจอย่าใช้หลายๆอย่างพร้อมกันแนละ้วมันจะทําให้จิตสับสนวุ่นวายเราต้องการรวมจิตให้เป็นหนึ่งงั้ให้มีอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นจุดศูนย์นรวมของจิตจะใช้พุทโธก็ได้จะใช้ลมหายใจเข้าออกก็ได้ยุบหนอพองหนอก็ได้จะดูแก้วก็ได้ มันมีหลายวิธีเพียงเพียงแต่ให้มันเป็นวิธีเดียวอย่างเดียวเพื่อดึงใจให้รวมกันเข้าสู่ความสงบหมดแล้ ว, ลวเหรออ่อ่ม เ, เ, เาวลาสวราเรานั่งสมาธิละจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยเจ้าคะแล้วทีนี้ลมหายใจลมหายใจก็ไม่มีใช่ไหมเจ้เาคะทีนี้สติกับจิตอ่ะเขาไปรวมกันอยู่ตรงนั้นแล้วแลวเราถ้าเกิดเราจะละ ละตรงไหนน่ะทำยังไงตอนนั้นไม่ละมันทำอะไรไม่ทําอะไรให้มันนิ่งเฉยเฉยให้มันร่งเฉยเฉยให้มันรู้อยู่กับดวงอดวงจิตให้งอวงสว่างตรงนให้อยู่ตรงนั้นไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทําอะไรจนกว่าเขาจะถอนออกมาอให้มันอยู่นานๆถ้าอยากจะอยู่ต่อก็ให้ผักมันกลับเข้าไปใหม่ถ้ามันสุกมันก็ไม่อยากจะออกมาถ้ายังออกมาก็แสดงว่ามันยังไม่สุก เจ้าค่ะหนูหนูร้อยมาลายแล้วหนูก็อยู่บริกรรพูดโทไปทั้งวันตามที่หลวงพ่อสอนเจ้าคะ่ะทีนี้พอพอหลังจากสามวันพอพูดมาลายเสร็จเนี่ยเจ้าคะ่ะก็เหมือนกับเขาไม่คิดอะ่ะ เ, เหมือนกับเขาว่ามันมันมันมันบอกความรู้สึกนั้นหนูมไม่เคยเจอสภาวะนั้นนะเจ้าคะ่ะบอกว่าเขาไม่คิดอะคะ่ะขนาดบอกให้เขาคิดเขาก็ไม่ไม่คิดเจ้าค่ะออแสดงว่าเขาสงบแอะ อืถ้าไม่คิดก็สงบแล้วแล้วเ ร, เราจำเป็นที่จะต้องให้เข้ามาคิดลงในพระไตรักษณ์ไหมเจ้าคะ <S S S ยังหรอตอนนั้นเราต้องการฝึกให้เขาไม่คิดเนีพยายามให้เขาไม่คิดนานๆอ๋อย่างั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอไม่คิดเน่ยดีเวลาใครเข า, เขาด่าเราเราไม่คิดเราก็สบายแต่เรามาคิดแล้วเราก็จะวุ่นวายมา <S S สมาธิก็คือการไม่คิด ไม่คิดแล้วใจจะเย็นจะสบายมีความสุขนั่นแหละถ้าคิดแล้วเดี๋ยวมันอยากอยากแล้วมันไม่สุขละมันต้องไปหาสิ่งที่อยากได้มาแล้วก็ต้องเหนื่อยต้องวุ่นวายไปกับการหากับการรักษาดูแลแล้วก็เสียใจเวลาที่มันจากเข้าไปยั้นอย่าไปหาความสุขแบบนั้นให้หาความสุขจากการทําใจให้ว่างๆอยู่เฉยเฉยให้ได้ก็เรียกว่าอยู่เป็นสุขไง อยู่เฉยๆโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเงินก็ไม่ต้องใช้เงินก็ไม่ต้องมีคนที่อยู่เฉยๆได้ก็ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองที่ต้องใช้เงินใช้ทองเพาอยู่เฉยๆเงินไม่ได้ต้องไปซื้อกระเป๋าไปซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรต่างๆนานามากมายก่ายกองซื้อมาแล้วเป็นยงไงสุกไหมสุกเดี๋ยวเดี๋ยวสุกแลเดี๋ยวก็อยากซื้อขึ้นมาอีกมันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ แต่ถ้าใจว่างใจไม่คิดอะไรนี่มันสบายอยู่เฉยเฉยให้มันว่างให้มันสบายไปทั้งวันทําได้ไม่มไออทําได้เจ้าค่ะต้องต้องทาเหตุปัจจัใยให้ถ<อ><ห>ึงพยายามทำพย <ๆ S 1> <อ>ายามให้มันทําอย่างเงี้ยมันอยู่มันอยู่ที่นี่ก็เพื่อต้องการให้มันอยู่เฉยเฉยให้ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไร เ, เ, เข้าไมาอก็เปล่าหลวงพ่อเจ้าค้าแล้วมันมีอีกอันหนึ่งเนี่ยค่ะเวลา เวลาความคิดอย่างสัญญากับสังขารเขาเกิดเนี่ยบางทีมันเหมือนร้อนร้อนอะ่ะก็เป็ น, นความอยากเนี่ยถ้ามันอยากคิดไปนทางความอยากมันก็ร้อนขึ้นมาอันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมมันร้อนอยู่ข้างในก็ไม่ดีอย่าไปให้มันร้อนต้องให้มันเย็นใจร้อนไม่ดีใจร้อนเป็นทุกข์ใจเย็นเป็นสุขแล้วเราจะกําหนดยังไงคะก็พุโทโธไปถ้ามันไม่หยุดเองเราก็ต้องใช้พุโทโธหยุดมัน เราก็ต่องพุทโธพุทโธไปมันก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้อเด้วยเราใช้วิธีไหนที่ทําให้จิตเราว่างมันวิธีเมื่อกี้เราให้ฟังก็ใช้วิธีนั้นก็ได้ใช่วิธีดึงมันกลับไปให้ที่ว่างอย่าให้มันคิดถ้ามันว่างแล้วมันเย็นใช่ไหยมันสบายไหมว่าหนูแปลกใจเวลาเขาเขาเกิดขึ้นมามันมันเป็นเหมือนสายความร้อนใช่เพราะความคิดของเรามันถูกกิเลสเป็นคนชักนําให้คิดไง คิดไปในทางความโลภความอยากมันก็ร้อนขึ้นมาใช่ค่ะรู้สึกว่าร้อนยังหยุดคิดไปในทางนี้แล้วต่อไปให้เขาคิดไปในทางธรรมถ้าคิดไปในทางธรรมจะเย็นคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเนี่มันจะเย็นถ้าไปคิดว่าเป็นของเราคิดว่ามันดีมันก็จะทำให้ใจเราร้อนขึ้นมาว่ามา คำถามจากคุณรัฐกรจิตกังวลเวลาขับรถทำอย่างไรครับก็ให้จดจ่ออยู่กับการขับรถแล้วถ้ามันยังกังวลอยู่ก็ให้บริการพุโทโธแต่ต้องถือการขับรถเป็นหลักอย่าปล่อยให้ไปคิดหรือไปพุทโธเป็นหลักแล้วเดี๋ยวคนวิ่งตามหน้าเราจะหยุดนัดไม่ทันการต้องใจต้องจดจ่ออยู่กับพุทอยู่กับรถการขับรถอยู่กับบนถนนแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันยังกังวลอยู่ ก็ใช้พุทธโธหยุดความกังวล น, นั้นไปหมดแล้วค่ะหมดแล้วนะก็พอสมควรแก่เวลามีใครอยากจะถามอีก ไ, ไหมถามว่าเมื่อหนูก็จะค่ะของหมูปกติเวลากอดก่อจะนั่งสเวลาที่นั่งสมาธิจะทําอาานาปานสติอ่ะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้มีคําบริกรรมกำกับได้ได้เอาอย่างเดียวมดีแล้วแหละแต่ยังนี้ถ้าระหว่างวันนี้ระหว่างวันเราควรจะ ใช้ลมหายใจด้วยไหมคะหรือว่าถ้าเราทำอย่างอื่นดูดูพุธดูร่างกายว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แทนดูลมหายใจถ่ากำลังแปลงฟันก็ให้ดูการแปลงฟันอย่างเดียวมันเราดูลมหายใจเพราะลมละเอียดมันดูยากกว่าให้ดูการแปลงฟันดูการหวีผมดูการแต่งเนื้อแต่งตัวไปแทนถ้าเราถนัดการดูถ้าไม่ถนัดเราชอบใช้พุทโธแล้วก็บริกาพุทโธไปแทนก็ได้ ให้แทนกันนะอันนี้เป็นการสร้างสติเป็นการดึงใจไม่ให้ไปคิดตามเรื่องคิดเรื่องราวต่างๆแล้วใจก็จะว่างเวลานั่งก็จะสงบง่ายใจไม่คิดแล้วมันก็จะสงบง่ายเอาละนะก็พอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพิณิพิจาณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป Turn.